ขอากาศหมู่สงเจริญธรรมสิกขมาตรและขอความเจริญในวิถีอริยธรรมจงบาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกทุกชีวิต กระทั่งส่งเสียงมายัางท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังติดตามชมผ่านรายการโทรทัศน์บุญนิยมทีวีเพื่อสั่งสมความบริบูรณ์ไปสู่ความสมบูรณ์สืบต่อไปเมื่อคราวก่อนพ่อครูได้เทศเกี่ยวกับคำสองคำนี้คือคำว่าบริบูรณ์กับคำว่าสมบูรณ์โดยอธิบายว่าบริบูรณ์คือการสั่งสม เหตุปัจจัยไปสู่ความสมบูรณ์ความบริบูรณ์เนี่ยเป็นความบริบูรณ์เต็มรอบในแต่ละรอบแต่ความสมบูรณ์นี้หมายความว่าเป็นการสั่งสมความบริบูรณ์จนครบหมดจบสิ้นเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์เพราะะฉนนั้คำว่าสมบูรณ์ในความหมายที่พ่อครูได้อาธิบายเมื่อคราวก่อนจึงเป็นความหมายที่ยิ่งกว่าคาว่าบริบูรณ์อันนี้เป็น เป็นความรู้ที่เร า, เาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็นํามาทบทวนให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้มีอยู่ตอนหนึ่งที่พ่อครูได้อ ธ, ธิบายเมื่อคราวก่อนเกี่ยวกับเรื่องสัพพะกาโย ο, ดังที่มีปรากฏในพระตรวิฎกในพระตรปิฎกมักจะกล่าวว่าสัพพะกาโยเนี่ย เ, เป็นกองลมคือกาหนดรู้กองลมสัพพกาโย พ่อครูได้ตั้งคําถามว่าถ้าพูดถึงกองลมสัพพา迦โยก็น่าจะเป็นสัพพวายโยมากกว่าที่จะเป็นสัพพา迦โยโดยสรุปคือพ่อครูพยายามอธิบายว่า迦โยหรือ迦เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างแต่เป็นเรื่องที่ประกอบด้วยจิตโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณผู้ก็พูดเถอจิตวิญญาณ น, นั่นแหละคือกาย迦า迦าโยที่แท้จริงอะไรประมาณนี้เป็นต้น แม้ที่สุดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่อเนื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อครูได้ไปร่วมงาน60ปีทีวีไทยของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดอาดมาได้ร่วมชมการถ่ายทอดซึ่งก็ต้องบอกว่าการนำกล้องไปถ่ายทอดที่นั่นเนี่ย โดยจะมีข้อจำกัดเข้าใจว่าที่คงจะแคบหรืออย่างไรเราเห็นคนคนหนึ่งพูดแต่กล้องไปจับอยู่ที่อีกคนหนึ่งะนะบ่อยมากเลยทีเดียวอ่ะเข้าใจว่าการสวิต ช, ชิ่งก็ตามหรือการจับภาพก็ตามคงไม่ได้ทันท่วงทีมากมายนะักขณะดูอยู่ก็ฟังคนข้างๆงที่ดูอยู่ด้วยเนี่ยบ่นไปอเอ๊ะทำไมคนนี้พูดแต่กล้องไปจับอยู่ที่อีกคนหนึ่งอันนี้ก็ถือโอกาสฝากมายังเจ้าหน้าที่ด้วยกันละกันว่า เป็นประเด็นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามีเนื้อหาสาระตอนหนึ่งที่ผู้ร่วมบุกเบิกทีวีช่อง4ี่บางขุนพรหมเนะี่ยได้พูดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือว่ า, าการจัดตั้งโทรทัศน์ช่องแรกของประเทศไทยเมื่อประมาณสัก60ปีล่วงแล้วมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดานักสแสดงโดยทั่วไปคือบรรดานักสแสดงนัก ร้องนักอะไรต่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาชีพนักแสดงโดยทั่วไปเนี่ยมีท่าทีปฏิเสธมีหน้าทีมีท่าทีต่อต้านการมีทีวีที่ช่องสี่บางขุนพรมไอ้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมบรรดานักแสดงเนี่ยจึงต่อต้านจึงไม่เห็นด้วยจึงไม่ให้ความร่วมมือต่อการมีทีวีช่อง4ี่บางขุนพรม เ, เราคิดตามภาษาเราก็คิดว่าเอ๊ะ ปกติการมีทีวีเนี่ยบรรดานักแสดงนักร้องหรือผู้ที่ทำอาหากินอยู่ในเวทวงบันเทิงน่าจะสนับสนุนเพราะว่าตนเองจะได้มีช่องทางช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของตอนเองผ่านสื่อทีวีแต่จากการที่ได้ยินได้ฟังการเสวนาโดยมีพ่อครูเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นก็ทราบว่าบรรดานักแสดงทั้งหลายไม่เห็นด้วยและไม่ให้ความร่วมมือเชิญมาร่วมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมา เพราะเหตุว่าเขามองว่าทีวีเนี่ยจะมาแย่งลูกค้าหรือจะทำให้คนที่เคยไปดูการแสดงของเขาเนี่ยลดลงจะทำให้คนมาดูสื่อบันเทิงฟรีนะมากกว่าที่จะไปซื้อตั๋วดูนักแสดงต่างๆเปิดงานหรือเปิดการแสดงในที่ต่างๆเขาจึงมองว่าการมีทีวีเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งขัดขวางหรือเป็นสิ่งที่ ไม่ทําให้หน้าที่การงานของเขาเจริญก้าวหน้าขึ้นอันนั้นคือวิธีคิดที่ได้จากการฟังเสวนาประเด็นหนึ่งซึ่งอาดมาฟังแล้วเห็นเป็นธรรมะก็คือว่าคือว่าเมื่อไม่ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากบรรดานักแสดงซึ่งอยู่ในสมัยนั้นนะนะเท่าไรนักเพราะฉะนั้น อ, อาจารย์จำงรังสิกุลเนะี่ยซึ่งเป็นโตโผเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ พูดก็พูดเถอะเป็นหัวหน้าในสมัยนั้นช่องสี่บางขุนพรมเนะี่ยจึงพยายามให้บรรดาผู้ที่ทํางานผ่านทีวีในยุคแรกๆนั้นนะทําอะไรเองนะเป็นนักแสดงเองเป็นนักเต้นรำเป็นนักเป็นพิธีกรเป็นโคศกหรือเป็นอะไรอะไรเองหมดทราบจากคําบอกเล่าของบรรดาผู้อาวุโสที่มีส่วนร่วมช่องสี่บางขุนพรมเนะี่ย ก็ทราบว่าแต่ละคนแต่ละคนทาอะไรตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะพ่อครูสมณพทิรักษ์เนี่ยแม้ว่าจะมีงานอื่นที่ต้องทำอยู่ก่อนแล้วท่านมาทำงานทีวีช่องสี่บางขุนพรมเพียงเพื่อเพียงเพื่อจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้น <c oughs> ตามรายละเอียดนะนะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นอะไร อ, อะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าทำอะไรเยอะมาก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ท่านอื่นที่มาร่วมสะอาดเปี่ยมพงศารอาคมมการานนตลอดจนกระทั่งบรรดาผู้อาวุโสท่านนั้นท่านนี้แต่ละคนแต่ละคนทำหลายอย่างทำทดแทนบรรดานักสแสดงที่ไม่มีกติกาใจที่จะมาร่วมกับทีวีช่องสี่บางคุนพรมพอทาอะไรหลายอย่างเกิดจากการไม่ได้รับการยอมรับจากนักสแสดงมืออาชีพเนี่ย ตอนเองก็เลยต้องสั่งสมเหตุปัจจัยเป็นนักแสดงมืออาชีพไปโดยปริยายเพราะนั้นบรรดาท่านผู้อาวุโสหลายท่านที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการขับเคลื่อนช่องสี่บางคุณพรมมาตั้งแต่แรกจึงบ่มเพาะความรู้ความสามารถคือเป็นเองไงในส่วนที่นักแสดงมืออาชีพในสมัยนั้นไม่มาร่วมก็เลยมาพิเคราะห์จากหนังสือขาบุญคือบาป ซึ่งพ่อครูสมณพทิรักษ์เขียนแล้วพวกเราก็อ่านเผยแพร่อยู่เมื่อวานนี้เรามาอ่านเผยแพร่อยู่ที่อ้อมน้อยพ่อครูบอกว่าวิบากของท่านประการหนึ่งก็คือการถูกมองเมินใช้คำพูดว่าถูกมองเมินแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับโดยประการต่างๆจากสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสังคมกระแสหลักอันนี้เป็นประการหนึ่งก็เลยมาผูกโยงกับ กิจกรรมการเสวานาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบเลยทีเดียวว่าการถูกมองเมินการไม่ได้รับการยอมรับจากทีวีไทยคือหมายความว่าจากนักแสดงต่งตางๆนานาที่มีต่อทีวีไทยช่องสี่บางคุนพรมเมื่อประมาณสัก60กว่าปีก่อนนั้น เ, นเอาเข้าจริงแล้วทำให้เกิดแรงฮึดเกิดการเกิดการสร้างสรรค์เกิดการฝึกฝนเกิดการพัฒนาเกิดความก้าวหน้าเกิดการบ่มเพาะความรู้ความสามารถ เกด أ, ิดการสั่งสมทักษะกระทั่งทําให้บรรด า, าลูกหม้อของทีวีไทยช่องสี่บางคุนพรมตั้งแต่แร ก, แรกๆเนี่ยมีความรู้ความสามารถเก่งหลายด้านอะไรตัวเม่อะไรทํานองนี้อันนี้คือการเก็บประเด็นต่อเนื่องจากการที่พ่อครูไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวก็ขอบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เข้าใจไว้ด้วยว่ามีกิจกรรมนี้ขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ใครได้มีโอกาสไปรับรู้ใครได้มีโอกาสไปร่วมก็คงจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็คงจะได้มีโอกาสดูโทรทัศน์บุญนิยมทีวีสำหรับอาตมาเองก็ก็ดูนะตั้งใจดูเพื่อจะเก็บเกี่ยวดูว่ามีอะไรที่จะนำมาเป็นประโยชน์แห่งสติปัญญาได้บ้างมีประเด็นหนึ่งซึ่งปรากฏใน เฟซบุ๊กของคุณชลธิติรมนียางกูรเลขามูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนที่ช่วยงานอยู่ข้อความของปราดท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวว่าสิ่งเดียวที่ทำให้บ้านกับโรงศพแตกต่างกันก็คือประตูอันนี้คำสั้นๆนะแต่มีในยะที่ซ่อนอยู่ในนี้สิ่งเดียวที่ทำให้บ้านกับโรงศพแตกต่างกันก็คือประตูและข้อความของปราดท่านนี้ก็กล่าวว่า บ้านของข้าต้องมีประตูเพื่อที่ว่าข้าจะได้เข้าไปในตัวตนของข้าเองได้และมันก็ต้องมีหน้าต่างเพื่อที่ว่าข้าจะได้มองไปได้ไกลกว่าตัวของข้าเองฟังอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ทำให้บ้านกับโรงศพแตกต่างกันก็คือประตูบ้านของข้าต้องมีประตูเพื่อที่ว่าข้าจะได้เข้าไปในตัวตนของข้าเองได้ และมันก็ต้องมีหน้าต่างเพื่อที่ว่าข้าจะได้มองไปได้ไกลกว่าตัวข้าเองอันนี้เป็นคําของปราชญ์ท่านหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือประเด็นที่เราได้เข้าใจภาสิทธินี้ก็คือเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประตโคลสังการมีประตูเนี่ยไม่ปิดทุกด้านไม่ปิดมิดชิดเนี่ยเพื่อให้เกิดการถ่ายเทภายนอกเข้าภายในจากภายในออกสู่ภายนอกประตโคลสังกับสัมมาทิฏฐิ ซึ่งพ่อครูมักจะนำพระไตรปดฎกนี้มาอา ธ, าธิบายเสมอว่าสองข้อนี้เป็นเหตุปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิท่านผู้ใดใครก็ตามที่รู้จักเปิดประตูเปิดหน้าต่างอาตมาก็มาคิดคำว่าหน้าต่างหน้าต่างนี่คือหน้าที่มีความแตกต่างไปจากตนหน้าต่างนี่คือหน้าที่มีความแตกต่างไปจากตนการฟังความเห็นต่างการฟังเสียงอื่นการมีประโตูโกสะเนี่ย จะทำให้เรามีความโปร่งโล่งและมีความหลากหลายมีความเบาสบายมากกว่าที่จะปิดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นประตูก็ตามหน้าต่างก็ตามจะทำให้เราขาดความหลากหลายขาดความโปร่งโล่งและขาดชีวิตชีวาที่สุดก็จะมีสภาพไม่แตกต่างจากโรงศพคือไม่มีประตูสิ่งเดียวที่บ้านแตกต่างจากโรงศพก็คือประตูนัยะคือประมาณนี้สุดท้าย เมื่อวานนี้ได้ฟังพ่อครูนำบทกวีมาเผยแพร่ซึ่งพ่อครูอ่านได้หน้าฟังทีเดียวอาดามาจะไม่อ่านซ้ำแต่จะขออนุญาตนำพระปรมาพิวาทะมากล่าวเพียงสองบทสุดท้ายสองบทสุดท้ายเท่านั้นสมัยจำปาแพงเมื่อวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดประพันไว้ว่า ปกครองคนด้วยแบบขาดทุนปรมัตหนี้คือบุญแน่แท้ชําระกิเลศคุณใหญ่ยิ่งโลกวัดมิได้แม้ฉลาดด้วยปริญญาโลกวัดมิได้แม้ฉลาดด้วยปริญญาปกครองคนด้วยแบบขาดทุนประมัตด นี้คือบุญแน่แท้ชำระกิเลศคุณใหญ่ยิ่งโลกวัดมิได้แม้ฉลาดด้วยปริญญาวาทะนี้กว่าพื้นปุตุชนทั้งขาดทุนทั้งจนสุขได้สละชีอัศจรรย์คนอริยะประหลาดแน่แต่จริงใสเพราะแท้ พุทธธรรมประพันธ์จากพระประมาพิวาทะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าจะนำมาเกริ่นนำกล่าวนำในวิถีอริยธรรมนี้ <c oughs> ก็กราบขอบคุณพ่อครูขอกราบนิมนต์พ่อครูเข้าสู่วิถีอริยธรรมนมันส ก, การครับเ <c oughs> มื่อคุณเกริ่นกันด้วย พระปรมาพิวาทะาเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งพระเจ้าอยู่หัวของไทยเราที่แท้จริงทุกคนยังคงจะใส่เสื้อเหลืองกันไปตลอดทั้งเดือนแหละซักบ้างนะจะใส่ไปทั้งเดือนก็ไม่ว่ากันแต่ก็มีเปลี่ยนหลายตัวมี30ตัวก็ไม่เป็นไรใส่วลรตัววตัวไม่ต้องซัก แต่ถ้าเผือว่ามันไม่มีหลาตัวก็สักบ้างยิ่งมีตัวเดียวเราสักหน่อยหรือสองตัวเราักสลับกันนะอา้าวก็พูดยาวๆเ ย, ย้า ย, ยไปอย่างนั้นเองปรมาพิวาตนะพระปะมาพิวาตหมายความว่าวัตอันยิ่งใหญ่นะวัตอันยิ่งใหญ่ยิ่งยอดยิ่งเลิศบรมอภิวาัะเลยนะปรมะนี่ก็คือบรม ภาษาไทยเราเรียกว่าบรมยิ่งใหญ่บรมบรมอภิก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเลิศยอดอยู่แล้ววาทะาก็คือคำตรัสนะวาทะคำพูดคาตรัสของในหลวงก็คำตรัสอาตมาได้นำเอาประเด็นของคำตรัสของในหลวงมาเป็นเนื้อในการทาอัศวรวาดนะคือคาถวายพระพรเถิดกล่าวเถิด เ, เสียน แกพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในเดือนนี้ปีนี้นะโดยเนื้อหานะก็ชัดเจนเทงกับมีผู้ไปไลน์บอกว่าโอโหอ่านบทประพันธ์บทนี้แล้วอัศวบาตบทนี้แล้วใครเจอมังอยู่ในไลน์น ะ, อ, ะอยู่ในไลน์ไม่ใช่ยกย่องอะชมเชยบอกว่า ตั้งแต่อ่านบทประพันธ์มาอศิรวาดใดยังไม่เคยเห็นอศซรวาดใดที่จะครบครันขนาดนี้ของเสียงเป็นกลางเขียนอ่านเจอเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี้วนัวนเกบาหรือวันก่อนนีเสียงเป็นกลางขึ้นว่าบอกว่าเป็นเนื้อหาเป็นทั้งกวีการที่มีอะไรอะไรครบครันเหลือเกินมือนน เอออาตมาฟังแล้วก็รู้สึ ก, กว่าลอยๆอยอยู่นะอันนี้อาตมาก็แต่งด้วยใจนะแต่งด้วยความซาบซึง้งแต่งด้วยจิตใจที่จริงใจมันก็ออกมาด้วยเป็นอย่างนี้นะวันพิเศษนะคือวันสาคัญนี่แหละวันพิเศษพระศพทั้งพระไทยไทยพอถึงวันพิเศษวันพิเศษนี้ มวลผสมของไทยชาวไทยทุกค น, นประสกทั้งภัะไทไทยทั้งประเทศรำลึกน้อมภูวนัยผ่านเผ่าก็รำลึกถึงการนอบนอบ้นอมเคารพบูชาถวายพระพรกันทั่วผ่านเผ่ า, าทั่วประเทศไทยเทิดทิติสเรศไอสุริยะยิ่งเทิญ นะก็เทิดทูนนะสิ่งที่ประเสริฐเยอดเลิศยอดในอิสเรนะอ ส, สรุิยะก็แปลว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้อิสเรียและอิ ส, สุริยะมันเป็นความทิฏะก็แปลว่ารุ่งเรืองเทิดก็เชิดชูอูชายกย่องสิ่งที่ประเสริฐเลิศ ยอดนี้นะก็เป็นคำไปคาเทิดทูนเชิดชูบูชานั่นแหละไม่มีอื่นเทิด th ทิติสเรศไอสุริยะยิ่งเทินคุณข่าฟ้าปกกล้าวเลิศล้นบารณีบารณีก็แปลว่ายิ่งเหมือนกันนะบารณีไม่ใช่บารมีนะบารณีก็แปลว่ายิ่งยอดยิ่งเหมือนกัน นะคุณค่านะเท่าฟ้าปกกล้าพวกเราอยู่นี้เลิศล้นนะยิ่งยอดไทยมีกริรติก้องด้วยพระไทยเรานี่มีสิ่งที่ลืงลือไปก้องโลกหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้ดีเป็นที่แจ้งชัดว่ามันยิ่งใหญ่ประโยชน์อยู่ก็คือ ที่พระมหาราชจรยวัดนะพระมหาราชจรยวัดของพระเจ้าอยู่ว่าพระองค์นี้วิริยะกรุณมหากว่าพรองพระองค์ทรงมีพระวิริยะวิยาี่คุณภาคเพียนกรุณก็การุณนั่นแหละมีพระกรุณามหายิ่งใหญ่เหลือเกิน ในที่นี้นี่มีแต่คำภาษาใด ๆ, ๆๆก็มีแต่คำว่ายิ่งใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศัพท์ภาษาบาลีคำไหนๆไหนก็ขนมายิ่งใหญ่ทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆในช่วไม่รู้นะอราเราก็เข้านรื่นี้ในประวัติศาสตร์ต่างๆม็มีมาอาตมาก็พอดูประวัติศาสตร์ก็อาตมาก็ว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงผ่านๆมาแล้วพระองค์นี้นี่มี พระปัญญาที่คุณในระดับอริยะในระดับโพธิสัตว์ที่อาตมาเห็นเช่นนั้นเพราะว่าเข้าไปถึงขั้นโลกุตระเพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็แต่ละในประวัติศาสตร์เราก็เห็นก็เข้าใจละก็ศึกษาว่าท่านก็ดีนะท่านก็มีพระจริยวัตรต่างๆแต่ว่าแนวลึกที่อาตมาเห็นแล้ว พระมหากษัตรพระองค์นี้นี่มีแนวลึกไปถึงขั้นโลกุตระนะมีพระกรุณามีพร ะ, ะวาระวริยาที่คุณยิ่ยงใหญ่กว่าพรองกว่าที่จะพูดกันได้เลยกว่าที่จะเปรียบจะเทียบจะจะกล่าวคําใดมาเทิดทูนได้ปรมาพิวาฒะยิ่งวิเศษสุดเลยนะเป็นวาฒนและยังมีวาฒะที่ยิ่งยอดอีกอันนี้ก็เน้นมาเฉพาะว่ามี พะวาทหของท่านพระดำรัดของท่านยิ่งใหญ่อีกวิเศษใหญ่เลยสุดเลยยิ่งวิเศษสุดเลยคือท่านตรัสแบบคนจนแบบคนจนต้องอึ้งทึ่งอึ้งต้องทึ่งอึ้งทึ่งอึ้งต้องทึ่งทึ่งทึ่งแล้วต้องอึ้งเลยคําสวรรค์ คำที่ยิ่งใหญ่เป็นคำสวรรค์คำนี้อีกแบบคนจนบริหารประเทศบริหารพระองค์เป็นประสัตนะท่านตรัสถึงการบริหารประเทศจะต้องทำแบบในเป็นทฤษฎีฟ้าเป็นหลักเกณฑ์หลักการที่ยิ่งใหญ่นะบริหารด้วยแบบคนจนทรงสรรค์คำอีกย้ำชัดเจนนอกจากจะตรัสว่าแบบคนจนแล้ว ยังมีพระปรมาพิวาทย้ำอีกว่า our loss is our gain ยิ่งสองยิ่งสนับสนุนยิ่งซําส่งเสริมชัดเจนขึ้นอีกเลยว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรานสนับสนุนซ้อนขึ้นไปอีกยิ่งสองเสริมพระอริยเยนปลึงป ร, ราดมันชี้ชัดเลย เสริมสิ่งที่เป็นอริย์ความเป็นอริยะความประเสริฐความฉลาดความยิ่งใหญ่อริเยนบวกอินทระในอริยะบวกอินทระในอริเยนยิ่งใหญ่ประเสริฐความเปลืองปราดปรีชายานพุทธพรองพุทธแทเทียนธรรมเพราะฉะนั้นในพระปิชายานของพระองค์เนี่ยมันแสดงออกถึง สิ่งที่มันไปสอดคล้องพ้องกับพุทธแท้เทียนธรรมกับความเป็นพุทธอย่างจริงจังเป็นความฉลาดทางธรรมเทียนธรรมนะปรีชาปรีชายานพฤษพองพุทธแท้เทียนธรรมนะพระปรีชายานอ น, นี้เนี่ยมันแสดงออกถึงความสอดคล้องกับความเป็นพุทธที่แท้จริงเป็น ความฉเฉลียวฉลาดไทเทียนเป็นความเป็นปราดแห่งธรรมะที่สุดยอดพระคำวิเศษวิเศษนี้อริยนะพระคำวิเศษนี้อริยนะคำนี้เธอ่าเป็นพระราชดํารัสนี่เป็นสิ่งวิเศษยอดอริยะใช่ตรัสแตวาทะแค่ถอยและพระองค์ก็ไม่ได้ตรัตแตเฉพาะพูพดนะ พระองค์มียะถาวาทีตถาการีจัดอย่างใดทําอย่างนั้นจัดอย่างใดทําอย่างนั้นยะถาวาทีตถาการีซึ่งใช่จัดแต่วาทะแค่ถ้อยราชจริยวัตรประจักษ์สิทธิพิสูจเทญเพราะนั้นในพระราชจริยวัตรพระองค์พระองค์ ทรงมาตลอดมีสิ่งที่ปรากฏประจักษ์สิทธิ์เห็นได้แน่แท้พิสูจน์ได้ประจักษ์สิทธิ์พิสูจน์เทินทรงกิจไว้ไม่น้อยกว่าร้อยเกินพั น, นก็นับไปเถอะมีต้องเป็นพันโครงการทรงกิจมาตลอดพระสันพระสริให้ โลกระบือเพราะงาั้นพระองค์สันก็คือเลือกสริดก็คือทำให้สาเร็จพระองค์ได้ทั้งจัดทรงไตรตรองตริตราสันเลือกสิ่งที่ประเสริฐทั้งนั้นมาสร้างให้จนกระทั่งระบือไปทั้งโลกคำใหญ่ยิ่งนั้นคือทิฏฐิฟ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่ คำที่อาตมาหยิบมาแล้ว่าแบบคนจนก็ดี our loss is our gain ก็ดีเป็นคำยิ่งใหญ่เป็นทฤษฎีแห่งฟ้าเป็นทฤษฎีที่สุดยอดเคยมีชนิดหรือในโลกมีเคยมีไหมในประวัติศาสตร์เท่าที่อาตมาพูดเกินมาแล้วนำมาแล้วประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินต่างๆก็ไม่รู้กี่พระองค์ครองราศกันมา ในประวัติศาสตร์ทั้งต่างประเทศทั้งในเมืองไทยอาตมาก็ว่าเท่าที่อาตมามีความรู้มีการศึกษาเท่าที่อาตมามีภูมิจะศึกษาได้อาตมาก็ยังไม่เห็นว่าจะมีพระองค์ใดที่มีสิ่งที่ประเสริฐพิเศษอันนี้อาตมาถือว่าเป็นประเสริฐพิเศษยังไม่เคยมีในโลกที่เราจะสืบสารตำนานประวัติศาสตร์ไปได้นี เราก็เห็นอันนี้ว่าสุดยอดเคยมีชนี้หรือในโลกที่ตรัสให้คนกล้ามักน้อยมาจนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ส, สอนให้คนมาจนมีหรอที่กล้าสอนให้คนกล้ามักน้อยกล้ามาจนก็มีแต่พระพุทธเจ้าสอนมักน้อยสอนมาจนให้ชอบความจนให้ยินดีในความจน มักน้อยก็คือความยินดีในความมากน้อยความยินดีในความ น, น้อยน้อยน้อยก็คือมันไม่มากก็คือมันจนน่ะมันไม่รวยะนะเพราะงั้นผู้ที่ชัดเจนมั่นใจแล้วก็กล้าพูดชนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงอาสะพะอาสะพิเป็่งอาสะพิวาจาถึงขนาดนี้นกล้ า, าหาญจริงๆปกครองคนด้วยแบบขาด ซ้าลงไปอีกซ้อนลงไปอีกปกครองคนด้วยแบบขาดทุนประมัินี้คือบุญแน่แท้ประมัิก็คือเนื้อหาเนื้อแท้อันนี้เนื้อแท้อันนี้คือบุญบุญบุญคือการชำระกิเลสเพราะฉะนั้นประมัิเนื้อแท้เนื้อหาของแบบคนจนก็ดีของคาว่า ขาดทุนของเราคือกําไรของเราก็ดีเป็นเนื้อหาแท้ของการสอนให้ชําระกิเลสจึงจะจริงทําให้ชําระกิเลสไม่จริงกดคมลดละธรรม ท, ทีไม่จริงหรอกละกิเลสได้จึงจะเป็นสัจจะเมื่อกิเลสไม่เป็นตัวการเมื่อกิเลสลดน้อยลงจากจริงจริงใจจริงๆ จ, จ, จิตไม่โลภ จิตลดโลภจิตไม่มีความโลภนั่นและเนื้อแท้ที่มันจะไม่ไปโลภโมโทสันไม่ไปแย่งไปชิงไม่ไปเอามามากไม่สะสมมากไม่หาทางเอาเปรียบเอารัดมันเป็นสัจจะเลยนะประมัตินี้คือบุญแน่แท้ชําระกิเลสคุณใหญ่ยิ่งในเรื่องของความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากันชํา ร, ระกกิเลสให้มันได้ คุณงามความดีที่สุดยอดไม่มีอะไรเท่าเทียมการชำระกิเลสได้คนที่สามารถลดละกิเลสได้จริงจับตัวกิเลสได้แล้วทำให้กิเลสลดได้จริงเลยลดได้อย่างถาวรลดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีพลังงานที่ทำให้กิเลสมันสลายมันละลายไปไม่ใช่แค่แค่คมไม่ใช่แค่แค่กดนะไม่ใช่แค่กดคม แต่มันละลายสลายออกไปเลยนอกจากสลายของสภาวะของจิตที่เป็นกิเลสละลายไปแล้วยังมีปัญญาสำทับด้วยว่าเอ็งต้องตายเอ็งตายให้ได้เด็ดขาดอย่ามาฟื้นเป็นอันขาดปัญญามันรู้ถึงความสูงเสียถึงคุณถึงประโยชน์ถึงโทษถึงภัยมันรู้หมดเลยมันมีปัญญาฉลาดถึงความเป็นโทษความเป็นคุณความเป็นภัยความเป็นประโยชน์อะไรกันแท้ เพราะงั้นความฉลาดอันนี้มันเป็นตัวบังคับเป็นตัวกาหนดเลยเมื่อจิตสลายได้จริงปัญญาก็สสำทับลงไปจริงมันดับสนิทเลยอุปโตภาควิมุตสองสภาพนี้มันชัดเจนลงตัวกันแนบแน่นความจริงอันนี้แล้วมันนิดจังทุวัง ส, สตังอวิปรินามธรรมังอสังฮิระอสังกุ ป, ปังเลย มันจะเด็ดขาดแน่นอนเที่ยงแท้ยั่งยืนถาววรไม่มีเปลี่ยนแปลงอวิปริณามธรรมังอสั้งหิรังไม่มีอะไรมาล้มล้างไอความที่เป็นไปได้แล้วนี้เป็นอื่นไปอีกไม่มีอะไรล้มล้างได้ด้วยอสั้งหิรังอสั้งกบ ป, ปังตายแล้วไม่ฟื้นไม่มีการกลับกําเริบไม่มีการบนไปบนมาอีกจบแล้วจบเลยอสั้งหิรังเพราะว่า สองสภาพเตว่อุปโตภาควิมุตต์ทั้งเจโต ว, วิมุตต์ปัญญาวิมุตติสมทับเนี่ยสุดยอดนะ<ม>เพราะงั้นทั้งทําได้กิเลสก็ลดจริงปัญญาสำทับอีกนี่คือสุดยอดในความเป็นจริงและความรอบรู้นะเป็นความจริงเป็นความแจ้งผู้ใดได้จริงผู้ใดแจ้งจริงจําไว้ และอทิจแจ้งที่จริงนี้คือความจนความจริงความแจ้งความจําความจนจําไว้เลยนี่คือความจริงที่ควรแจ้งแจ้งแล้วจงจําจําให้ได้ว่าเนื้อแท้คือความจนนี่แหละสุดยอดยิ่งใหญ่มากเป็นความจนมหัศจรดิ์โลกวัดไมิได้แม้ฉลาดด้วยปริญญา เพรา ะ, ะนั้นความรู้อันนี้โลกวัดไม่ได้จะเป็นความรู้ทางปริญญาทางโลกที่จะรู้อย่างไรมีมสามารถจะวัดนัตถิอุปมาเปรียบไม่ได้วัดไม่ได้เทียบไม่ได้นัตถิอุปมาวาทะนี้กว่าพื้นปุถุชนยิ่งกว่าที่คนทั่วไปปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายหรือเข้าใจได้ถึงถึงก็ ปุตชนก็คงจะไม่ลึกพอถ้าเป็นปุตุชนนะนอกจากจะเป็นอารียชนมันเป็นเรื่องของอารียชนที่แท้จริงทั้งขาดทุนทั้งจนเธอสุขได้คนขาดทุนนี่แหละคนจนนี่แหละเป็นสุขประหลาดแน่ แต่จริงไ้เพราะแท้พุทธธรรมนี่แหละเป็นคนสละเนี่ยเป็นคนสละเป็นคนเอาออกเป็นคนไม่ต้องมีเป็นคนไม่สะสมเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบเป็นคนที่ไม่ต้องโกงต้องกินต้องไม่กระทบกระเทือนใครสละชีอัศจรรย์นคนอริยะนี่แหละความฉลาดแบบนี้คนจนแบบนี้ เป็นอริยะแบบนี้มันประหลาดแน่ในทั่วไปแต่จริงแต่จริงใซเพราะมันเป็นความแท้ความจริงตรงกับพุทธธรรมทุกอย่างนี่คือบทอเซรวาตปีนี้ปรมาพิวาฒนอาตมาก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่า อะไรเข้าทรงไม่รู้เคลียนออกมาได้ขนาดนี้ก็ค <c oughs> งเป็นทุกอย่างนะพระสยามเทวาธิราชพระมหาโพธิสัตว์ประดามีทั้งหลายคงมารวมลงองค์สิงห์นอัตมาปริ่งอันนี้ออกมาในวาระปีแห่งยิ่งใหญ่ปีนี้ในลวงครบป87บแปดสิบเจ็ด ขึ้น88ครบ87พระชนสาขึ้น88นะนี่เป็นเรื่องที่ท่านจันได้เกริ่นถึงเรื่องนี้มาก็เอาเรื่องนี้มาขยายความต่อทีนี้มาเข้าสู่ปรมัาที่เราจะขยายความต่อไปนะเรื่องปรมาทคือเรื่องของความรู้ความจริงปรมาทความรู้ความจริงอันยิ่งใหญ่ อัฏฐอันยิ่งใหญ่ปรมัตุปรมอัฏฐานี่แหละเนื้อหาเนื้อแท้ของความยิ่งใหญ่ที่เนื้อหาเนื้อแท้แห่งความยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี่ยเนื้อหาอะไรเนื้อหาสาระที่มนุษย์พึงได้พึงเป็นเนื้อหาสาระที่มนุษย์พึงได้พึงเป็นอัตมาก็พยายามที่จะชี้จะอธิบายที่จะนำทั้งบัญญัติภาษาความหมายที่รู้ร่วมกัน ภาษาความหมายต่างๆที่รู้ร่วมกันจะเป็นภาษาไทยภาษาบาลีหรือภาษาอื่นๆที่จะพึงอัตมาพอที่จะพอร่วมรู้ได้บ้างเล็กๆน้อยๆถึงไม่เก่งภาษาบาลีก็ไม่เก่งภาษาไทยก็พอรู้มากหน่อยนะเพราะว่าเกิดเป็นคนไทยก็เลยรู้ภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่นหน่อยศาสตร์ซึ้งลึกซึ้งก็ใช้ภาษาไทยเป็นหลักภาษาอื่นก็บาลีก็ประกอบกั็ภาษาบาลีมาเป็นรากฐานของพุทธธรรม เราก็นํามาประกอบอย่างยิ่งนอกนั้นก็ตามเรื่องใช้ภาษานี่ยภาษานี้ประกอบเล็กๆน้อยๆไปเอามาสื่อนิรุติปฏิพานมีความรู้ภาษามีปฏิพานความเฉลียวฉลาดไว้พริบเท่าที่มีกัระปดาเอามาพยายามที่จะเอามาสื่อเท่าที่อาตมาจะนํามาสื่อจากสภาวะที่อาตมามีอัตถามีธรรมะ มีเท่าที่มีเรียกว่าธรรมะมีเท่าที่มีทั้งทั้งหลกักทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเท่าที่มีและเข้าไปสู่ความเป็นเนื้อหาสาระอัตถะเข้าไปสู่แก่นสู่แกนสู่เนื้อแท้อัตถะนะทีเป็นข o r หรือเป็น essence นะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างใช้ภาษาอังกฤษประกอบอะไรเงี้ยอ่าปรมัตถอัตถะภาษาบาลี ภาษาสาษาังกฤษเขาก็อัดถามเหมือนกันมันเป็นเนื้อแท้แก่นแท้แก่นสารนะเพราะเนื้อแท้เนื้อแท้แก่นสารของชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เนี่ยใจเป็นใหญ่มโนเป็นใหญ่มโนปุพังขามาธรรมามโนเป็นประธานมโนมาก่อนอื่นจิตมาก่อนอื่นคําว่ามโนคําว่าจิตคําว่าวิญญาณนี่ก็ตาม นะเป็นพลังงานชนิดที่เป็นชีวะในสัตว์โลกเรียกว่าจิตจิตนิยามเรียกาคา ก, กลางๆว่าจิตจิตวิญญาณมโ น, โนต่างกันอย่างไรอาตมาก็พยายามขยายความจิตเป็นคำ ก, กลางๆเป็นคาสามัญนามเป็นคำสามั ญ, ญานามเป็นคำที่กล่าวกว้างๆหมายถึงพลังงาน พรังงานที่เรียกว่านั่นแหละจิตนั่นแหละจิตใจภาษาไทยเราเรียกว่าใจนั่นแหละพรังงานทั้งหมดนั่นะจิตส่วนวิญญาณนั้นมันเป็นวิสามัญญนามคำว่าจิตเป็นสามัญนามเป็นคำนามส่วนวิญญาณนี่เป็นวิสามัญนามเป็นวิสามัญอย่างเป็นวิสามัญนามอย่างไรเป็นวิสามัญนามก็เพราะว่า มันจะต้องจำเพาะเจาะจงลงไปว่าอาการพลังงานที่เรียกว่าจิตเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปสัมผัสไปรู้ไปมีตัวตนมีตัวประธานตัวกรรมตัวกิริยากับอ น, นันต์แล้วเรียกว่าวิสามายนามเป็นตัวจำเพาะลงไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวธาตุปัญญาธาตุรู้แล้วก็จะต้องมีตัวเจโต ตัวจิตจริงๆว่าสภาพจิตอันนี้เราเองปัญญาของเราไปแตะไปสัมผัสไปเกิดรู้กิริยาอาการความเป็นอยู่ของจิตตัวนี้เพราะงั้นปัญญาของเราเข้าไปสัมผัสแล้วรู้ตัวที่เราหมายตัวนี้ะเราเรียกโดยภาษาบาลีศัพ์วิชการว่าสักกายะสกกายะกายของตน องประชุมองประชุมของรูปนามที่เป็นจิตตัวปรุงแต่งกันอยู่นี่ตัวนี้แหละตัวที่จะต้องเรียนรู้เป็นตัวแรกของสังโยชน์ข้อที่หนึ่งมัถ้าใครไม่รู้จักสักกา ย, ยะองค์ประชุมกายองค์ประชุมองค์รวมเป็นกองเป็นหมู่เป็นสิ่งที่ร่วมรวมกันเข้าประชุมกันเข้าประกอบกันเข้าของเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยต่างๆของข้างนอกข้างในเรียกว่าของสิ่งที่เป็น วัตถุกับนามธรรมต้องมีนามธรรมร่วมนะถ้าไม่มีนามธรรมร่วมมันมันไม่รู้เพราะฉะนั้นคําว่ากายแต่มาถึงเน้นว่ากายไม่มีนามธรรมก็ไปร่วมเป็นกายไม่ได้เลยนะแม้แต่นามธรรมกับ น, นามธรรมมันยังเรียกกายได้แต่ถ้าวัตถุทำโดยไม่มีนามธรรมก็ไปร่วมเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันเป็นกระดาษ ถ้ามีนามมาทำก็ไปร่วมเลยเนี่ยมันเป็นกายไม่ได้หนังสือกายนี้ไม่ได้เป็นกายไม่ได้กายแห่งหนังสือมันก็ไม่เรียกครับเขาเรียกแต่เล่มเดหนังสือแผ่นกระดาษแห่งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเรียกกายไม่ได้นะเรียกนามนะเป็นนามมาทําเป็นหลักทีนี้ มาตกเป็นภาษาไทยคำว่ากายมันกลายไปเป็นวัตถุเลยมันตัดความเป็นนามทิ้งไปเลยอันนี้แหละคือความสวยมากๆของศาสนาพุทธเห็นไหมมันเลยสิ้นท่าเลยเพราะว่ามันไปตัดเอาสิ่งสำคัญที่สุดแห่งความหมายที่จะเป็นปรมัติเป็น จิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าไปหาสู่ความเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นมโนเมื่อกี้อธิบายไปแต่แค่จิตกับวิญญาณสองคำขยายความวิญญาณก็เล ย, ยาวไปนะวิญญาณคือจิตจำเพาะและจำเพาะ อ, อย่างมากเลยที่พุทธเจ้าท่านเน้นว่าต้องเกิดในปัจจุบันจึงจะเรียกว่าวิญญาณถ้าไม่เกิดในปัจจุบัน จะไปเรียกเวลาวตายแล้วมันล่องลอยไปที่ไหนมันไปอยู่ที่ไหนมันจะเป็นยังไงซึ่งไม่ได้เกิดปัจจุบันหลัดัดที่สัมผัสและกระทบเกิดอาการเลยอาการหลัดหลัดในอาการในปัจจุบันทิฏฐธรรมทิฏฐธรมทิฏฐิทิฏฐิปัจจุบันเลยถ้าไม่เกิดอย่างนี้ไม่เรียกว่าวิญ ญ, ญาณต้องมีสัมผัสสามต้องมีตากระทบรูปแล้วเกิดวิ ญ, ญญาณนี่และวิญ ญ, ญาณตัวอัธาตรู้ตัวนี้เราเรียกว่าวิญ ญ, ญาณ เพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณจึงเป็นวิสามัญนามที่จำเพาะของบุคคลใดบุคคลนั้นสักกะของตนเอโกโดยส่วนตนไม่เกี่ยวกับคนอื่นเมื่อไม่มีผัสสะวิญญาณถือว่าไม่เกิดเมื่อไม่มีผัสสะถือว่าวิญญาณไม่เกิดเพราะฉะนั้นในปฏิสัมมุบบาทชัดเจน มีอายตนะมีผัสสะอายตนะคือสิ่งสองสิ่งต้องสัมผัสกันสิ่งสองสิ่งสัมผัสกันรูปกนำนามสัมผัสกันก็ได้นานกนำกำนามสัมผัสกันได้มานายัตนะกฐามายตนะนี่นากนำกำนามทั้งคู่มานามานามาโนเนี่ยคือจิตอีกตัวหนึง่งคือความเป็นใจอีกตัวหนึง่งที่อธิบายจิตอยู่อธิบายวิญญาณเห็นความแตกต่างของวิญญาณให้ได้ว่าจิตนั้นเป็นส า, า, ามัญนาม นะวิญญาณนั้นเป็นวิสามัญ น, นามทีจ่ะจะต้องรู้และในจิตลึกเข้าไปในวิญญาณละเอียดเข้าไปจกกนกระทั่งถึงปลายปลายไปลึกข้างในข้างสุดท้ายข้างปลายเราเรียกตัวนั้นว่ามโนมโนมณะเพราะฉะนั้นตัวแกนจิตจริงๆคือมโน ท่านถึงเอาคำว่ามโนปุพังคมาธรรมามีมโนออกมาจึงมาเป็นทุกอย่างมโนเสทษฐามโนมายาอ่ามะโนอ่าเป็นแก่นแกนของจิตเรียกว่ามโนส่วนวิญญาณนะองรวมอยู่ข้างนอกที่ปัจจุบันเกิดเป็นวิสามัญนามส่วนคำว่าจิตนี้รวมกลาง ขยายขึ้นพอชัดเจนขึ้นไปพอสมควรไหมนะมันมีคำอื่นที่จะหมาถึงอีกเยอะแต่เอาละแค่สามตัวนี้ทำให้เข้าใจดีๆนำไปปฏิบัติได้พระครูอธิบายเพิ่มเติมตรงคำว่า ม, มนโนที่บอกเป็นแก่น <c oughs> แกนของจิตสักนิดหนึ่งสิครับเป็นตัวหลักแก่นแกนเพราะงั้นถึงสุดท้ายและแม้เหลือน้อยที่สุดก็คือมโนเพราะั้น กว้างขึ้นมาแล้วก็ต้องมาขยายเป็นวิญญาณเป็นจิตอะไรไปรือจะไปเป็นลักษณะ เ, เจโตหรือว่าเจตสิกอื่นๆดีเยอะแยะที่จะเป็นกระบวนการของพลังงานทางจิตาธาตุรู้ที่จะไปทำงา น, นเวทนาก็จิตสัญญาก็จิตสังขารก็จิตอย่างนี้เป็นต้นหรือจะมีย่อยอีกโอหูนับไม่ทวนเลยแต่แต่สติสัพชัญญาปัญญาต่างๆาธาตุรู้ต่างๆอะไรอีกกู มหาศาลและทั้งกระวบรวมมาแค่เจตสิก52จิตแค่89ิพิสดานไปแค่ร้อยีบเอ็ดแค่นี้ก็เหลือกินละเหลือยากละไม่ใช่ง่ายแค่นี้ก็เหลือยากละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจพวกนี้มากแล้วยิ่งมีปฏิภาณในการรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตเนี่ยได้ดีละเอียดแล้วมันก็จะมีปฏิภาณรู้แม้แต่ กล่าวไปคำบาลีเอาไว้อีกเยอะที่ไม่ได้รวบรวมมาในพระอภิธรรมนะเจตสิกจิตอีก89หรือพิสดารร้1ยออะไรนี่ก็ตามมันยังจะมีอีกอาการของพลังงานเยอะแยะนะอาการของพลังงานทางจิตพลังงานแบบจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ไดเรียนจิตเรื่องของจิต และเวลาจะเรียนก็จะต้องทำให้เกิดวิญญาณแล้วก็มาอ่านจากวิญญาณแยกวิญญาณไปตั้งแต่องค์ประชุมของวิญญาณเราเรียกว่ากายวิญญาณวิญญาณที่ประชุมกันอยู่เรียกว่ากายวิญญาณและมันก็ปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่ากายสังขารเพราะเ ร, เราก็จะต้องเรียนรู้สัพพก า, ายโยเรียนรู้องค์ประชุมทั้งปวงทั้งหลายทั้งหมดนี่ให้ได้ เรียนให้ลงค์ประชุมต่างๆนี่ให้ได้กายโยจึงเป็นความรวมที่สําคัญมากตั้งแตจะรวมเอาวัตถุเข้ามาร่วมด้วยจงกระตั้งถึงเฉพาะในจิตกายโยเฉพาะในจิตจงกระตั้งถึงคําว่ามโนนะเพราะมโนที่สุดแล้วไม่มีโภภพธะะนั่ไม่มีการสัมผัสภายนอกเป็นอารมณ์ที่เป็นทรงไว้ข้างในเรียกว่าธรรมอารมณ์ไม่ใช่โภภพธะภารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ที่ประกอบไปด้วยข้างนอก ปอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายประกอบไปได้วยวัตถุต่างๆประกอบไปไ ด, ด้วยวไไสิ่งที่จะสัมผัสข้างนอกพระเหติทธารูปานิต่างๆไม่เกี่ยวกับอย่างนี้อยู่ข้างในเลยอัจชตังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ข้างในตั้งแต่รูปข้างในนา ม, มารูปข้างในรู้ถูกรู้ไปละเอียดไปข้างในจนกระทั่งถึงขั้นอะรูปเราก็จะต้องมีใช้ธาตรู้เรื่ว่าสัญญา กำหนดหมายอ่านกำหนดอ่านพยายามใช้สัญญาตัวตัวสัญญาจึงเป็นตัวงานของพลังงานของมนุษย์ที่จะต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นแล้วก็ต้องมาใช้ทํางานเพื่อที่จะกําหนดหมายอ่านทั้งในตัวดึงความจําขึ้นมาทั้งกําหนดรู้ในปัจจุบันทั้งจะกําหนดหมายไปในอนาคตสัญญาเนี่ย กำหนดไมายเป็นในอนาคตเป็นวิสัยทัศน์เป็นอะไรเป็นอนาคตตังสยานอะไรไปประมาณไปข้างหน้าที่ยังไม่เกิดว่ามันน่าจะคํานวณได้ว่าประมาณได้มันจะเป็นชีนี้ทนี้ที น, นี้ก็ตามก็ต้องใช้สัญญากำหนดหมายปัจจุบันนี้กําหนดรู้เดี๋ยวนี้หลัดๆสัมผัสรู้ทันทีหรือไปดึงเอาความจําอดีตขึ้นมาก็ใช้สัญญาทั้งนั้นเพราะสัญญายังเป็นตัวงานเป็นตัวสัญญาสําคัญแม้ที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งสุดท้ายจะจบเป็นสัญญาเวทีจิตนิโรธก็สัญญาตัวนี้แหละทางานจนกระทั่งอย่างรู้สุดท้ายถึงขั้นนิโรธดับสนิทไม่เกิดอีกจนกระทั่งจะจบเป็นนิพพานสุดท้ายาจิตพันในคนเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสอุปาทิเศสนิพพานก็ตามนิพพานในร่างที่มีขันห้าที่เหลืออยู่นี่ก็ตามเรียก ว, ว่าสอุปาทิเศสนิพพานก็จะต้อง มีสัญญากำหนดรู้เพราะในได้ภาวะที่จะต้องรู้จากจุดจบจุดนิพพานจุดประเสริฐเลิ่อยอดของปัรดาความรู้ที่พรุทธเจ้าท่านตรัสรู้และเอามาสอนคนให้เริ่มรู้จนกระทั่งรู้ต่อต่ อ, ต, อต่อไปจนกระทั่งเป็นโพธิสัตว์นี่ก็เรียนรู้ความรู้พวกนี้จนกระทั่งมันในมหาจักรวาลนี่มันจะแต่รู้ได้ไปมากเท่าไรไอ้ที่มันจะต้องมีส่วนที่จะเกิดประกอบผสม ปรุงแต่งเป็นอะไรอะไรกันอยู่ในญาณนั้นญาณ น, นี้ภาคนั้นภาคนี้โลกมุมนั้นมุมนี้ทั่วโลกพระโพธิสัตว์เขาจะต้องไปเรียนรู้ไม่รู้กี่โลกตัวกี่โลกต้องเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจให้รู้ว่าเท่าทิปดามนุษย์มันจะเป็นได้และมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์โพธิสัตว์จะต้องเรียนรู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องได้รู้อย่างนั้นมาสุอย่างก สรุปแล้ว เ, ลเรื่องที่จะรู้ท่านยนยอลงมีสองคำคือคำว่ามีกับคำว่าไม่มีอันนี้แหละทำให้คนงงและสับสนมากคำว่ามีและไม่มีทีนี้คำว่ามีและไม่มีนี่ก็ทำให้พวกสายปัญญาเฟอปัญญาไม่แน่ไม่นอนสายปัญญาตักกะก็เอาไปคิดว่าความมีความไม่มีเพราะที่จบแห่งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่มี ที่จบนี่คือไม่มีและทีนี้คนจะต้องศึกษาความไม่มีหรือความจบนี้ให้ได้โดยลืมตัวไปว่าเอา้าคุณจะศึกษาความไม่มีคุณก็จะต้องมีสิ่งที่คุณรู้ธาตุรู้ที่คุณจะต้องไปตามหาความไม่มีและก็ต้องรู้ที่สาคัญว่าและอะไรแท้ๆที่จะให้ไม่มีอะอะไรแท้ๆที่จะไม่มี เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจไม่แม่นก็ฟุ้งซ่านเพอ้อไปเมื่อไม่มีเป็นที่สูงสุดมันก็ต้องไม่มีอะไรอาตมาก็อ่านบทความบทความนึงเมื่อเช้านี้จากอาจารย์บูรพาต้องขออาภัยอาจารย์บูรพาที่เอามาเป็นประโยชน์อาตมาขออาภายนะัยในขอบคุณอย่างยิ่งเลยมันเป็นประโยชน์ที่อาตมานําของท่านในความคิดเชิงคิดอย่างนี้มาเป็นประโยชน์ อาตมาไม่ได้ดูถูกนะอาตมาไม่ได้หมายความว่าไปขม่มแต่อาตมาเห็นว่ามันกลับเป็นสิ่งที่น่าสงสารน่าเวทนาเน่าช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะได้ช่วยหรือไม่ช่วยอาตมาก็มันอาจจะลงตัวเองยกตัวเองไปก็ข อ, ขอโทษนะท่านเขียนว่าอย่างนี้ลองฟังดีตั้งใจฟังนะลึกซึ้งนะท่านใช้ชื่อ หัวข้อเรื่องของบทความนี้ว่าสมถตกรรมฐานเป็นบทความในไทยโพสฉบับเอ็กไซป์ฉบับเล่มเล็กละในฉบับแท็บรอยของวันนี้ท่านว่าอย่างนี้การปฏิบัติสมถตกรรมฐานเป็นการทำสมาธิแบบเดียวกับสมาธิภาวนา แล้วก็ขยายความใช้พ ย, ยัญชนะนละเอียดาการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการทำสมาธิแบบเดียวกับสมาธิภาวนาคือกำหนดด้วยการให้อุบายกรรมฐานทำให้กายเบาแต่ใช้คาว่ากายเบาทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายเบาจิตเบากายสงบ สงบกายรู้สึกเบาและหายไปฟังให้ดีนะใช้ภาษาได้เก่งนะนะใช้ภาษาได้เก่งกายรู้สึกเบาและหายไปเพราะฉะนั้นในขณะที่พูดแค่นี้เนี่ยคนที่เข้าใจคำว่าจิตอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งใช่มันมีลักษณะที่ต่างกันอยู่ในนืยะสัมคัน แต่เมื่อมันเน่นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องให้รู้ว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายรู้สึกเบาทีนี้มาขยายความลึกขึ้นไปว่ากายรู้สึกเบาและหายไปกายเนี่อรู้สึกเบาและหายไปก็หมายความว่าไอ้ที่หายไปนะ่คือกายกายเนอะรู้สึกนะกายเนี่ยรู้สึกหรือมันเป็นความรู้สึก ความรู้สึกในความเป็นกายใช่กายรู้สึกความรู้สึกในความเป็นกายเนี่ยมันเบาเบาลงเบาลงความรู้สึกในความเป็นกายเบาลงแล้วก็หายไปลมหายใจหายไปอ้าวตอนนี้มาเข้าแถมคำว่าลมหายใจหายไปคงจะไปนึกถึงคำว่ากายคือลมหายใจในอาณาปานสติเมื่อนั่งสมาธิ อาจารย์บุรพาเขาไปนึกตรงนั้นนะก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้นะว่าลมหายใจหายไปความคิดหายไปนะตกลงก็พยายามอธิบายขยายความละเอียดมากฟังดีๆต้องนั่งฟังดีๆหน่อยฟังไม่ดีหูหักนะตั้งใจตั้งหูตั้งใจฟังอย่าให้หูหักฟังดีๆนะนะ หายใจลมหายใจหายไปความคิดหายไปโดยผู้ปฏิบัตินั้นรู้รู้ตั้งแต่กายเบาลมหายใจเบาหมายคำว่ากายนี่ท่านหมายไปถึงล่างข้างนอกแล้วกายเบานี้หรือถ้าหมายถึงอย่างอาตมาองค์ประชุมข้างนอกทั้งหมดกายเบาทีนี้มาที่เหลือลมหายใจเป็นกายลมหายใจ กายเบาลมหายใจเบาก็รู้รู้หมดบรรเบามาหมดก็รู้ว่าลมหายใจเบามาถึงลมอยู่ที่ลมหายใจแล้วตอนนี้เลือกแค่นี้ก็รู้ว่าลมหายใจเบาและเบาลงจนกระทั่งหายไปเบาจนกระทั่งสุดท้ายลมกหายใจก็หายไปนะถ้าลมหายใจหายไปหรือขาดไปแล้วเนี่ยเป็นไง ตายแต่ความจริงมันไม่หายความรู้สึกที่จะรับรู้ลมหายใจมันขาดขาดความรู้สึกขาดความรับรู้กับลมหายใจใช่ไหมเอานา่ฟังดีๆนะอาตมาก็จะขยายความไปด้วยแล้วก็เอาความพูดคําพูดของอาจารย์บุรพามาพูดด้วยนะแล้วลมจนกระทั่งเบาจนกระทั่งหายไปนะลมหายใจเบาจนกระทั่งหายไป ก็รู้ว่าลมหายใจไม่มีแล้วหายไปก็รู้ว่าลมหายใจไม่มีแล้วหายไปอัตมาว่าถึงขั้นนี้แล้วนี่คนนี้ตายแล้วและจะรู้ไหมเนี่ยว่าลมหายใจหายไปใช่ไหมถ้าลมหายใจหายไปจริงๆขาดหายไปเลยเนี่ยต้องตายแต่เอาละเรายังเป็นอยู่ฟังให้ดีนะอัตม า, าจะพยายามอธิบายละเอียดเหมือนกัน คุณยังมีคนคุณยังเป็นคนนะคุณยังมีชีวิตนะลมหายใจหายไปนี่นะคุณยังเป็นคนใช่ไหมคุณก็ต้องมีทา่ารู้สึกยังอยู่คุณยังไม่ได้แยกทา่ารู้สึกออกไปจากร่างกายนี้ท่ารู้สึกมันก็ต้องามาอยู่ร่างกายของคุณใช่ไหมคุณกําลังรู้ตอนนี้หายไปแล้วนี่จากข้างนอกใช่ไหมอันนี้ต้องถือว่าหายไปแล้วจากข้างนอกลมหายใจหายไปนะความคิดน้อยลง อธิบายต่อว่าเมื่อลมหายใจหายไปนี่ความคิดเข้าไปขาข้างในแล้วตอนนี้ทิ้งแล้วนะข้างนอกนะไปอยู่กับความคิดละความคิดน้อยลงเขาคิดน้อยลงละมันคิดน้อยลงละมันก็รู้ว่าความคิดน้อยลงรู้ตัวเองนะตอนนี้ข้างนอกตัดลมหายลมหายใจนี่คือส่วนนอกเพราะงั้นขาดลมหายใจเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็มาอยู่กับความคิดแล้ว เป็นเพราะว่าเป็นเพะพบแล้วเป็นพบภายในละความคิดนะความคิดน้อยลงความคิดหมดไปอีกทีนี้นอกจากความคิดน้อยลงเบาลงน้อยลงแล้วหมดไปมันก็รู้ว่าความคิดหมดไปเอาเลยตอนนี้ไม่แม้แต่คิดก็ไม่คิดแล้วตอนนี้อาจมาพยายามตามทุกคำของอาจารย์บูรพานะ และขยายความไม่ฟังเพื่อที่จะขยายความไม่เห็นว่านี่นะคือทิฏฐิชนิดหนึ่งความเห็นความเข้าใจชนิดหนึ่งของท่านอาจารย์บรูรภาซึ่งก็จะมีความต่างกับที่อาตมาคิดอาตมาเห็นอาตมาไม่ได้แยง้งไม่ได้ขมไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นแต่เพียงว่าเอาความต่างเอามาขยายความตามภูมิปัญญาอาตมาอาจารย์บรุรภามีสิทธิ์ที่จะเอาความเห็นของอาตมาไปขยายเถิงของอาจารย์บรูรภาเห็นได้ด้วย มีสิทและอาตมาก็ไม่ถือจะวิจารณ์จะเบ่งจะคมจะหาว่าอาตมาผิดยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างยึดต่างคนต่างเข้าใจและยินดีอันนั้นตามอิสระเสรีษษภาพไม่ได้มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหากับใครเพราะอาตมาปลองดองกับโลกทั้งโลกแล้วอาตมาสําเร็จก่อนคอสชมานานแล้วเรื่องปลองดองเนี่ยอาตมาไม่ไปทะเลาะกับใครครับแม้ใครจะฆ่าอาตมาอาตมาก็ไม่ไม่ไม่ไปโกรธ ด, ด้วยฆ่าก็าเรื่องเขาจะฆ่าก็เรื่องเขาคิด อาตมา bon, ไม่คิดจะฆ่าใครหรอกไม่คิดไปทไําร้ายใครแต่ใครก mm ็ hmm. จะฆ่าอยู่อตาตมาก็เรื่อง ข, ของเขาอะ่ะอตาตมาไม่เอาไม่คิดอย่างงี้ไม่ทําอย่างงี้อตาตมาเลอกแล้วแต่ใครทําอยู่ก็เรื่องของเขาอตาตมาหลบเอาหลบไม่ได้อตาตมาก็จำนนก็เหมือนพรพวพโมคะลาต้งยอมตายหลบไม่ไหวก็ต้องยอมตายหลบเอาคําว่ารู้ทีนี้พอบอกว่าความคิดหมดไปมันก็รู้ว่าความคิดหมดไปหมดความคิดแล้วนะทีนี้คําว่ารู้นั้นคือไม่มีอะไรให้รู้ ขยายความอีกความคิดหมดไปแล้วนะเหลือแต่ความรู้นะตอนนี้แล้วก็ดูแล้วว่าเอ็ในในอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านก็มองว่าไอ้ที่จะรู้มันไม่มีอะไรให้รู้แล้วนะตอนเนี้นะคาว่ารู้ตอนนี้เอายิบคําว่ารู้อันทิ้งไปแล้วคําว่าคิด ห, หมดไปแล้วหายไปแล้วทีนี้มาจับคําว่ารู้คําว่ารู้คือไม่มีอะไรให้รู้อีกไม่มีอะไรให้รู้จิตว่าง ก็มีคําว่าจิตเข้ามาวนมหาคําว่าจิตใหม่ไม่มีอะไรให้รู้แต่มันก็มีจิตนะแต่ไปเรียกซะว่าจิตว่างเอาพระยัญชนะคําว่าว่างแปลว่ามันไม่มีคําว่าว่างเป็นไวยพจน์ของคาว่าไม่มีภาษาสองคำนี้ภาษาคําว่าว่างก็แปลว่าไม่มีก็เปลี่ยนจากคําว่าไม่มีหรือหายไปหายไปก็คือไม่มีก็เป็นไวยพจน์อีกคำหนึ่งเหมือนกันนะ เป็นซีนโนนิมของทั้งไม่มีทั้งวาง่างทั้งว่างทั้งไม่มีทั้งหายไปมันเป็นซิโนนิมกันหมดมันเป็นคำใช้แทนกันได้หมดหายไปมันก็คือไม่มีแล้วว่างมันก็คือไม่มีคำว่ารู้คือไม่มีอะไรให้รู้จิตว่างก็เลยมาใช้พยัญชนะคำว่าว่างไม่เอาคำว่าหายไปไม่เอาคำว่าไม่มีเอาคำว่าว่างมาแทนแต่มีจิตหมจิตมันว่างนะตรงนี้ไม่มีจิตนะ ต้องจับตัวให้ได้เพราะว่าจิตรู้เห็นไหมและมันรู้ด้วยนะจิตมันรู้เลยนะแต่ไม่มีอะไรให้รู้คำว่าไม่มีอะไรให้รู้นี่มันมันก็หมายความว่าหนึ่งมันมีอะไรให้รู้แต่มันไม่รู้แปลว่าโง่มันมีอะไรให้รู้แต่ไม่รู้แม้แต่คำว่าจิตมันก็มีอยู่แต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณมีจิตคุณ น, นี้คำว่าจิตคุณลืมไปว่าคุณมีจิตคือธาตรู้ตัวนี้ คือคุณที่สรุปแล้วเนี่ยอาจมา ก, กําลังพูดว่าคุณยังไม่ตายคุณยังมีธาตุรู้อยู่กับขณะนี้มีสติสัม ป, ปชัญญะอยู่ตรงนี้และคุณก็พยายามปัดไปหาคําว่าไม่มีตีไปหาคําว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมแต่ทั้งตั้งที่ขณะนี้คุณมีมีอยู่ตลอดเวลาเลยคุณกําลังจะทิ้งความมีความว่ามีไปไม่มีฮะและจะไปเน้นแต่คําว่าไม่มีไม่มีมีให้มันกลายเป็นนักธิกาทิฐิ ให้เป็นไทิที่มันไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างมันไม่มีอะไรก็ไม่มีนักทิฐินี่เป็นทิฐิชนิดหนึ่งในทิฏฐิ62องอัตมากําลังจะอธิบายวันนี้ลักษณะนิทนักทิฐิคือทิฏฐิความไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มียิ่งกว่าว่าจะศพเอาดาบฟันลงไปในคนนี่มันไม่มีหรอกความเป็นคนมันเป็นความว่างฟันลงไปในร่างคนเมื่อคือคือฟันลงไปในของว่างความว่างเหมือนกันกับว่าจะศพสอลูกศิษย์ โจนว่าจะสพในเรื่องการมณิทวสิทธีนี่จิตรู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้อาการนี้เป็นอาการที่เราทาสมถกรรมฐานเบื้องต้นสรุปลงมาตรงนี้อาการที่เราทำสมถกรรมฐานเบื้องต้นหลังจากนั้นถ้าหลังจากอาการไม่มีนี่นะว่างนี่นะ หายไปนี่นะแต่ก็ยังลืมคําว่าจิตลืมคําว่าธาตุรู้ที่ตัวเองยังยังทรงอยู่เรียกว่าธรรมะแปลว่าทรงอยู่คุณยังทรงอยู่ด้คําว่าธาตุรู้ของคุณต้องมีอยู่และมันกําลังทําหน้าที่รู้รู้ไปสารพัดรู้สิ่งที่หายไปรู้สิ่งที่ว่างรู้สิ่งที่ไม่มีนะแต่ลืมไปว่ามีคือธาตุรู้คุณยังมีอยู่และคุณก็กําลังปฏิกำลังอธิบาย อาการไม่มีแล้วก็พยายามให้คนศึกษาเนี่ยคุณพยายามรู้ความไม่มีนี่นะคุณเอาจิตของคุณตามความรู้นี่ให้ได้แล้วก็ําหนดตามนะว่าลังพูดถึงความไม่มีแต่ในขณะที่คุณกําลังศึกษานี่คุณก็ต้องมีอยู่ยังไม่ไม่ได้ศูนไปยังไม่ได้แยกธาตุสิ่งที่มันยังไม่มีธาตุรู้จนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยเป็นปรานิพันธ์บรโยสารและมันก็ไม่มีเลยจิตนิยามมันไม่เหลือแล้วมันไม่มีความเป็นจิต พลังงานที่ชื่อว่าจิตนิยามมันไม่เหลือแล้วนะคือปรินิพานสูงสุดแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังกำลังเรียนนิพานยังไม่ได้ทำปรินิพานเป็นปริโยสารแต่นี่กำลังเรียนแค่สมถกรรมฐานกาลังเรียนแค่สมถกรรมฐานแต่ไปอเอาอธิบายปรินิพานเป็นปริโยสารมันคนละเรื่องแล้วมันคนละฐานนะคนละฐานะแล้วคนละสภาวะแล้ว นี่เป็นขอ้อการวิจัยของอาตมานะผิดถูกอาตมารับผิดชอบนะเพราะจิตรู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้อาการนี้เป็นอาการที่เราทำสมถะกรรมฐานเบื้องต้นหลังจากนั้นถ้ารู้ตื่นพอเป็นสมถะว่ามันรู้ว่างแล้วมันรู้ว่างนะตอนนี้สมมติอาตมาอ่านตามภาษาที่ท่านบอกนี่ยรู้ว่างแล้วตอนนี้ หลังจากนั้นถ้ารู้ตื่นตอนนี้รู้ตื่นเมื่อกี้นี่รู้สมถะตอนนี้รู้ตื่นท่านใช้ศัพท์คําว่ารู้ตื่นเมื่อกี้นี้รู้รู้ตื่อรู้ตื่อเมื่อกี้รู้ตื่อตอนนี้รู้ตื่นคือรู้โดยทิ้งคําว่าจิตไม่มีอะไรตื่อตือยู่งั้นนะแต่ท่านก็มีท่ารู้อธิบายา่ารู้มาตลอดเวลาอธิบายสิ่งที่รู้แล้วเอามาขยายความให้รู้กันตลอดเวลาตอนนี้ท่านก็ใช้ภาษาว่าหลังจากนั้นถ้ารู้ตื่น พอตื่นแล้วตอนนี้แต่ไม่มีอะไรให้รู้อีกแหละตื่นก็ไม่รู้ตื่นก็ไม่มีอะไรให้รู้อีกตอนนี้เอาคำว่ารู้ตื่นมาแทนสภาวะเมื่อกี้นี่รู้ตืแต่มีจิตตัวเดียวกันเนี่ยรู้ตื่นก็คือรู้ความว่างรู้ความไม่มีรู้ความหายไปพอมาตื่นมายคํามว่าเออมันมีสติเต็มเมื่อกี้มันตื่ตื่ตตือะไรก็ไม่รู้แต่มันจิตมันทำหน้าที่อยู่มันยังไม่หายไปไหนหรอกมันยังมี แต่ถ้าอธิบายถึงความไม่มีให้รู้ว่าไอ้จิต ท, ที่มันไม่มีรู้น่ะมันคือตื่นๆนั่นแหละแต่ถ้าเรียกอันนั้นว่าสมถะซึ่งที่จริงมันก็น่าจะอนุโลมให้ถูกได้เนาะสมถะมันเป็นลักษณะอย่างงั้นแหะแต่ น, นี่เป็นลักษณะวิปัสนาลักษณะตื่นมารู้วิปัสนามาเห็นมารู้นะทีนี้พอรู้ตื่นแล้วก็แต่ไม่มีอะไรให้รู้จับสมุทัยไม่เคยได้นี่คือคํา คำสรุปของอาตมาท่านจับสรุปอาตมาสรุปไม่ใช่ท่านจับอาตมาสรุปท่านจับสมุดไทยไม่ได้ว่าสมุดไทยเท่านั้นที่มันหายไปท่านจับสมุดไทยไม่ได้ว่าเออตัวนี้มันหายไปและทำให้มันหายไปท่านจับตัวนี้ไม่ได้ท่านกลับไปจับว่าตัวความว่างและกาลังจะตามหาความว่างกำลังจะอธิบายแต่คำว่าตัวความว่างความไม่มีความหายไปท่านจะไปอธิบายแต่ศูนย์ นี่แหละสุญเตะวาทะท่านจะไปอธิบายไปพูดถึงสุญยตาะวาทะนี่แหละจะอธิบายแต่คําว่าสุญโดยที่ลืมไปว่าไอ้ก่อนจะอธิบายในคนอธิบายมันยังมีนะเพราะฉะนั้นต้องเน้นในชัดว่าไอ้สุญนศูนย์จากอะไรเหมือนจุลสุญมหาสุญจุลจุลจุลจุลสุญเตาะโศนหรือมหาสุญะตาะโศน ต้องไปอ่านมันจากอะไรไม่มีมี ม, มอะไรถ้าไม่งั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเป็นทิฏฐิชนิดทิฏฐิทิฏฐิของพวกนัตถิกาทิฏฐินะแล้วก็มาเป็นสุญเตวาทะนีนะ่สุญเตวาฏะนะแต่ไม่มีอะไรให้รู้ต้องใช้วิธีการผลักให้เกิดรู้ขึ้นไม่มีอะไรให้รู้ก็เลยต้องใช้วิธีผลักให้เกิดรู้ขึ้น เก่งใช้พย <"You Tube. S 1> ัญชนะจริงๆเอาภาษาพยัญชนะมาใช้วิธีการผลักให้เกิดรู้มันไม่มีอะไรให้รู้ต้องผลักให้เกิดรู้ขึ้นนะท่านจะผลักยังไงอ่านต่ออ่านต่ออ่านต่อท่านจะผลักให้เกิดในความว่างนั้นนะทีนี้ผลักให้เกิดให้รู้ให้ได้ในความว่างนั้นเมื่อถึงระดับหนึ่งในความว่างนั้นเมื่อถึงระดับหนึ่งจะเกิดอาการ รู้ขึ้นผุดรู้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเอาละสิมันตายแล้วฟื้นเว้ยมันไม่รู้เมื่อกี้ตอนนี้มันเอาละตอนนี้พยายามปลุกให้มันตื่นนะพุ่งให้มันรู้ผุดรู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมาแล้ววิธีการผลักให้เกิดความรู้นี่มันก็จะผลักให้รู้รู้มันก็พยายามจะรู้รู้รู้ขึ้นมาในความว่างนั้นเมื่อถึงระดับหนึ่งมันจะเกิดอาการผุดรู้ขึ้นมาเลยเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาในความว่างนั้น นี่จิตโผล่ขึ้นมาในความว่างแล้ว <c oughs> จิตคือความรู้ใช่ไหมจิตคือธาตุรู้ใช่ไหมมันโผล่ขึ้นมาจากโผล่มาจากในวาก็ที่พวกเราเคยได้ฟังบทกวีที่ว่าธรรมดาตัวกูไม่ได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผล่ขึ้นมาจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไป <c oughs> พอโง่ใหม่โผล่ใหม่ขึ้นทุกทีน่นี่แหละคือ นี่แหละคือสุญญตาวะทเป็นสุญญาตาวะทะเป็น<อ>วาทะที่พูดถึงไอตัวว่างคตัวศูนย์นี่แหละก็พลวนเวียนพูดในตัวศูนย์นี้ทั้งนั้นอ๋อวนเวียนพูดอย่างนี่ยคือคําว่ารู้รู้จนกระทั่งไม่มีอะไรให้รู้<อ>ว่างในความหมายนี้เท่ากับไม่มีหรือหายไปอซึ่งความว่างแบบนี้เนี่ยจริงๆเป็นความว่างที่พ่อครูเคยวิพาควิจารณ์ว่า แต่จริงๆพ่อครูเคยนําพัตรบิดกมานําเสนอว่าคําว่าว่างเนี่ยไม่ใช่แปลว่าว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือว่างจากสมุทัยอันคือกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ว่างเฉพาะกิเลสแต่ไม่ว่างจากธาตุรู้ธาตุรู้ที่ประเสริฐเป็นความประเสริฐเป็นปัญญาพูดก็พูดเถอะแมก้กระทั่งอัตตาเราทําอัตตาให้ศูนย์ไปะนะ แต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าอัตตาทั้งหมดศูนย์ไปหมดยังเหลืออัตตาอาศัยอัตตาก็ยังอาศัยเช่นพระอาหารหันต์เนี่ยหมดจากอัตตาอันคือกิเลสเข้าสู่ความเป็นอนัตตาโดยสิ้นเชิงแล้วแต่พระอาหารหันต์ก็ยังมีอัตตาอัตตาตัวตนแท่งก้อนนี้เป็นอัตตาที่หมดอัตตาเนี่ยทำงานรับใช้มนุษยชาติทางานเกื้อกูลแก่โลกสืบต่อไปดังในพระตรีบีดอก่าไว้ว่า ศาลาแห่งนี้ว่างจากช้างว่างจากม้าอันนี้ถือว่าเป็นศาลาว่างแต่ไม่ได้ว่างจากคนมานั่งฟังธรรมทํานองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่าว่างนี้ไม่ใช่ว่างจากไม่ใช่ว่างในความหมายที่เป็นเบื้งว่างเออเวิรงว่างเป็นสภาพของความไม่มีแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีหายตัวเองไปลืมตัวผู้รู้ไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นว่างเนี่ยต้องเป็นความว่างที่เกิดจากความรู้รู้และต้องรู้ด้วยว่าว่างจากอะไรและไม่ว่างจากอะไรอะไรควรทําให้ว่างอะไรไม่ควรทําให้ว่างอะไรควรคงไว้อะไรไม่ควรที่จะคงไว้ถ้าว่างแบบที่พรอครูนําประเด็นของอาจา ร, รย์บรุรพามาอ่านเนี่ยมันจะเป็นความว่างแบบสุญญตาวาฏทะเป็นความว่างแบบไม่รู้ไม่ชี้ จนกระทั่งมีคำอธิบายล่าสุดที่พระครูอ่านบอกว่าในความว่างเมื่อถึงระดับหนึ่งจะมีการผุดรู้ขึ้นตรงนี้ผมเข้าใจแบบนี้นะครับ<อ>จะเข้าใจถูกหรือผิดไม่ทราบคือแม้แต่จะอาจจะเป็นสัญญาตาวาทะหรือพยายามที่จะกำหนดความไม่รู้ใดๆขึ้นมาในในนั้นก็ตามจะพยายามสมาธิกมามฐานมากมายปานใดก็ตามแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ย มันก็ต้องมีธรรมชาติเป็นธาตุรู้ของมันอยู่นนแล้วแน่นอนมันมั น, ม, นมันไม่เป็นธรรมชาติธาตุรู้มันก็ไม่ใช่จิตแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีการผุดรู้ขึ้น <c oughs> จริงๆระดับนั้นก็ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นระดับธรรมดาของจิตทั่วๆไปคุณจะกดคุณจะข่มคุณจะพยายามทำให้ไม่รู้มากมายปานใดรู้สึกจะเป็นครออูอาจารย์อุทธกาดาบทอาราระดาบทอะไรอะไรประมาณนี้ กด ค, มมกคือพยายามกดข่มไว้จนเก่งแต่เก่งขนาดไหนที่สุดจิตก็ต้องพยายามตื่นขึ้นสู่วิถีแห่งความรู้จนได้เพราะนั้นคือธรรมชาติของจิตจะจะให้ <จะ S 1> เป็นนานเท่าใดก็ต้องขึ้นมารู้สักวาระหนึ่งลจะได้เพราะมันไม่ได้สูญไปไม่ได้แยกธาติกันครับผมเพราฉะนั้นมันจะแยกธาติกันต่อเมื่อปรินิพานเป็นปริโยสารถ้ า, า ย, ยังมไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารดังที่อาตมาที่ไปฟังมัเหมือนกับ ธาตุน้ำเนี่ยมันมี H 2มัน H กับ O นะมันถูก O จับอยู่2ขา H2H2O เพราะง H2H2O หนึงคือ O เนี่ยมันมี2ขามันมาจับ H อ๋อครับผม H เนี่ยมก็เรียกว่า H2 ครับผม H2O อันนี้มันต้องนักวิทยาศาสตร์บางทีก็ค่อยๆเคว้ยว่า O มันอ่ามัน H2 O1 ไม่ใช่ O นี่มันมีสองขามันมาจับ H เป็น2 H2 อแล้วก็โอตัวตัวเดียวของ O เนี่ยมันมี2ขาแต่มันมีสองมันมี2หน่วยแต่ถ้า H มันมีหน่วยเดียวอีนี้โนี่มันมาจับ H มันก็เลยเป็น H2 H2 O นะออันนี้ต้องโมฟิสิกส์ต้องเรียนฟิสิกส์ นนะขนาดผ ม, มยังเข้าใ จ, ใจผิดเลยพราะครูเคมีไม่ใช่ฟิสิกส์อันที่นะมผมผมยังเข้าใจแบบที่ที่เพราะครูบอกว่านักวิทยาศาสตร์เข้าใจแบบนั้นผมเข้าใจว่า H 2 O 1ผมเข้าใจแบบนั้น <c oughs> คือมันมีตัวประสิทธิภาพของมันไง O นี่มันจับ2ขา O มัน two O มันสองขาแล้วเวลามันมาเกาะกันมาจับกันมันก็เลยมาจุกที่ H นี่เรียกว่ามันมาเกาะและมันมาจุก H two H 2 w o กอดสขาเลย2มือเลยครับผม แต่มีโอหน่วยหนึ่ง H หน่วยหนึ่งมีความรู้ที่ได้ยินมีความรู้ที่ดยินมันมีหนึ่งครับผมมันมีสมีหนึ่งโอมีสองครับผมประกอบกันจะเป็น H อ O ซูโครับอ่เขาเาบอกว่าจริงๆแทรกนิดนึงได้ยินจากใครก็ไม่ทราบบอกว่าเอกับ O เนี่ยในโลกมี H เกิดก่อน O ตามมาทีหลัง แล้วพอทั้งสองอย่างพอมาผสมกันก็เป็นน้ําถูกต้องเพราะว่าเอชหนึ่งหนึมันต้องเกิดกับ2แน่นอนครโอ้มัน2องมันก็จะต้องเป็นตัวเป็นตัวที่ยากกว่ามันจะศูนย์ไปมันเมันต้องศูนย์ก่อนที่มัน1อ่ะไอโอ้มันสมันต้องหนากว่ามันต้องยากกว่ามันต้องใหญ่กว่าครับผมมันเติมต้งควาเป็นตัวตนมากกว่าครับผมเอาประเด็มันจะยาวเกินไปครับเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้แยกธาตุเกับ O ออกไปเลย จนกระทั่งท่าตน้ําหายไปธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุพลังงานจิตนิยามของสัตว์ก็ยังมีอยู่ตลอดครับแต่ถ้าแยกได้จริงๆแล้วเป็นปรนินิพานเป็นปริโยสารคือแยก H อชโคลน้ํามันไม่เหลือเลยธาตุจิตไม่มีเลยธาตุรู้มันไม่เหลือเลยเออเมื่อนั้นน่ะก็ถูกละสุดท้ายแล้วไม่มีกลับคืนแล้วนะถ้าแยก H อชโคลไม่มีกลับคืนแล้ว แต่นี่มันยังไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่ขณะนี้นั่งสมถะอยู่นี่มันยังไม่ได้ทําอย่างนั้นหรือเราเรากำลังจะเรียนรู้ให้เป็นอหรหันต์คนที่จะเป็นอหรหันต์นี่ยังไม่ได้ไปทันทีทําให้เกิดวิมุตต์ให้เป็นอมตะบุคคลแล้วค่อยไปทปําปาริณพภานเป็นปริโยสารสุดท้ายตามมูลสูตรสิบข้อเนี่ยถ้าคุณเข้าใจลําดับอันนี้ไม่ได้นะถ้าปฏิบัติมาตามมูลสูตรมาจนกระทั่งมาถึงขั้นวิมุตต์เป็นสารเป็น เนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาวิมุตต์เพราะใครได้วิมุตต์ผู้นี้ก็เป็นอมต ะ, ะเป็นคนจะเกิดหรือจะตายก็อยู่ที่ท่านเองถ้านท่านจะตายท่านก็ทําตายถ้ายังท่านทำไมตายถ้ายังไม่ยอมตายท่านก็ยังเกิดอยู่แต่เกิดไม่มีกิเลสแล้วอมตะบุคคลเวบอรหันต์อรหัน ร, รู้จะเกิดจะตายแล้วก็มีอยู่ต้องเราไม่หลงผิดว่าเรายังไม่ใช่ม่มีพระาราหาเวปัญจคันธา กองของรูปเวทนาสัญญาสังขารยังอาศัยมันอยู่มันสะอาดแล้วมันมีอุปทานสิ้นอุปทานหมดแล้วอ่าเป็นกองขันที่ยังสมาทานไว้ยังถือไว้ยังยืนยันมันอยู่ยังปีแต่มันก็เป็นภาระอ่าเป็นทุกข์ที่เลียงไม่ไดอ้อีกตั้งเยอะแยะอ่าในเที่ยงลุกทุกทุกเลียงไม่ได้ทั้งหกข้อนะ่ะก็ต้องดูกับมันไปอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่เป็นาารายละเอียดที่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นเมื่อเอาอาจารย์อบุรภาว่าความว่างนั้นเมื่อถึงระดับหนึ่งจะเกิดอาการรู้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาในความว่างนั้นอันนี้ก็ไม่ผิดหรอกถูกมันก็จะต้องกลับมารู้จนได้แรกๆจะเป็นธรรมะหรือไม่ยบหรือไม่แรกๆจะเป็นธรรมะหรือไม่ พอมโผล่ขมารู้นี่แรกๆมันจะเป็นธรรมะหรือไม่เป็นธรรมะก็ไม่รู้ละหรือไม่ย่อมไม่เป็นไรนะมันไม่เป็นไรว่างั้นอาารว่าไม่เป็นไรจะเป็นสิ่งใดก็ได้เพราะเมื่อมีอาการเมื่อมีอาการเราก็เกิดปัญญาเนี่ยพอบอกว่าตอนนี้เราเป็นปัญญาแล้วพอมารู้ตอนนี้เนี่ยเกิดปัญญาแล้วท่านเอาปัญญาใส่ปะเข้าไปเลยว่าตอนนี้แหละตอนที่ออกมาจากการไม่ไม่ไม่รู้อะไรแล้วนี่พอมารู้กลับมารู้ตอนนี้เนี่ย นี่ละคือการเกิดปัญญาของทางวิธีสมถะศรสอนกันนะอ่าตอนนี้ก็เกิดเป็นปัญญาเพราะการรู้ในช่วงแรกนะรู้ในช่วงแรกเรียกว่าวิปัสสนาขั้นโลกียภูมิรู้ขั้นแรกรู้ก่อนจะจะทำสมถะจนไม่รู้อะไรเลยจะดับหรือไม่ดับก็แล้วแต่ตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นโลกียภูมิตอนนี้ขั้น สมมติบัญญัติรู้เป็นโลกีภูมิเป็นขั้นสมมติบัญญัติโลกีภูมิหรือสมมติบัญญัติอันเดียวกันนะเป็นวิปัสสนาขั้นโลกีภูมิหรือขั้นสมมติบัญญัติโลกซึ่งจะเป็นธรรมะต่างๆออกมาหลังไหลให้เรารู้ตอนนี้โลกจะไหลมาโลกมันจะไหลมาให้รู้เลยนะตอนนี้ท่านวางนะให้เราเข้าใจธรรมะให้เราเข้าใจธรรมะนะ ท่านแยกธรรมะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ท่านหมายว่าไงนะให้เรารู้เราเข้าใจธรรมะธรรมะคือความถูกต้องความดีงามนี่ยังไงก็ไม่รู้นะธรรมะของท่านหมายตรงนี้นะออกมาหลังไหลใ ห, ให้เรารู้ให้เราเข้าใจธรรมะยังมีสมบัตมียังมีสมมุติบัญญัติอยู่กลับมายอมรับว่ายังไม่ตายนะยังมีสมมุติบัญญัติยังมีสิ่งที่ให้เรารู้อยู่นะ ก็แสดงว่ายัางไม่ดับจกนกระทั่งไม่มีเกิดอีกแสดงว่าวนไปวนมาดับแล้วเกิดทั้งคนเลยเอยจะดับอันนี้เมื่อไหรล่ะจะดับไม่เกิดเมื่อไรอ่ะอ่ะอันนี้อาตมาถามกลางทางเอาละต่อขั้นแรกทีนี้ท่านก็อธิบายต่าขั้นแรกในการฝึกอาการจะปรากฏทําให้เราเข้าใจนานๆครั้งอ่ะ ฝึกอาการนะฝึกในการฝึกอาการเนี่ยจะปรากฏทําให้เราเข้าใจนานๆครั้งต่อไปเมื่อจิตมัน่นคงจะปรากฏบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคือเกิดปัญญาหรือเกิดรู้มะอาตมาเข้าใจว่าไง น, นนะอ๋อถ้า น, านานๆที่จะเป็นแบบนี้เนะี่ทีแต่ถ้าเผื่อว่าทํำเก่งแล้วจะมาได้บ่อยๆคงจะปรากฏขึ้นบ่อยๆเราจะรู้ธรรมะมากขึ้น ก็เลยหมายความว่าเอาคําว่าธรรมะเนี่ยมาชี้มันจะรู้ธรรมะธรรมะยังไม่รู้จะหมายถึงอะไรกันบ้างท่านกัใส่คําว่าธรรมะแล้วกันนะเขาจะเป็นการรู้ธรรมเข้าใจธรรมแล้วก็จะรู้ธรรมจะรู้ธรรมมากขึ้นเราะันเถอะจิตทรงตัวรู้ธรรมะนะจิตจะทรงตัวรู้ธรรมะลักษณะนี้ไประยะหนึ่งจะทรงตัวรู้ธรรมะแล้วสถาไประยะหนึ่งเป็นภูมิวิปัสนาไประยะหนึ่งตอนนี้เรียกว่าภูมิวิปัสนา แม้ในธรรมะนั้นมันจะมีธรรมะที่เป็นพระนิพพานอยู่บ้างเป็นตัวยังไงเน้ะนิพพานนี่อาตมาก็ยังที่จริงอาตมารู้ว่าตัวนิพพานเป็นยังไงคือตัวนิพพานของอาตมาคือตัวที่กิเลสมันไม่เหลือนี่คือตัวนิพพานของอาตมานะแต่ตัวนิพพานของอาจารย์บุรพาเป็นยังไงอาตมาก็ไม่รู้นะ ท่านก็บอกว่าในธรรมะนี้มันอาจจะมีตัวนิพพานอยู่บ้างว่างั้นมีที่เป็นพระนิพพานอยู่บ้างแต่ว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงอาการพระนิพพานผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงอาการพระนิพพานว่างั้นจริงไม่ถึงอาการพระนิพพานจริงไอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงอาการพระนิพพานก็เลยทำให้อยากรู้ว่าแล้วอาตบานเป็นยังไงว อฏิพันธ์เปยังไงเว้ยโอ้โหเล่งเราดีเนาะอ่านลเร่งเราอยากจะรู้แล้วอาการปฏิพันธ์เป็นยังไงหากจิตมีกําลังแล้วกลับมาดูตนเองห า, หากจิตมีกําลังแล้วกลับมาดูตนเองจึงปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตอมาดูตนเองกินความถึงไหนดูตนเองเนี่ยกลับมาดูตนเองจึงปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงปรากฏ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเอาดูของข้างในเท่านั้นต่อมาเมื่อจิตข้ามไปสู่โล ก, กุตรรภูมินี่ว่าถือว่าวิปัสนาภูมิตอนต้นน่ะถือว่าโล ก, กิยภูมิท้าก็ไล่มาเหมือนกันแล้วต่อมาก็เริ่มรู้แล้วตื่นมาจากไอ้ที่ไม่รู้แล้วมาเป็นรู้เนี่เป็นว่างแล้วตอนนี้ว่างนี่ถือว่าวิปัสนาภูมิและตอนนี้เมื่อจิตข้ามไปสู่โล ก, กุตรรภูมิ ถ้าเป็นสมมุติบัญญัติก็ทิ้งไว้บนโลกหมดถ้าเป็นสมมติบัญญัติก็ทิ้งไว้บนโลกหมดโลกไหนอะโลกข้อตมานี่คือความวนของจิตและที่ท่านทิ้งวัตถุไว้บนโลกท่านไปทิ้งอะไรไว้บนโลกตรงไหน แค่ดูก็มีกำลังพูดสมมติบัญญตัติถ้าเป็นสมมติบัญญัติก็ทิ้งไว้บนโลกหมดจิตไปดูแค่อาการอาต่อจิตไปดูแค่อาการที่เกิดดับไปดูแค่อาการที่เกิดดับขึ้นภายในจิตตนเองไปดูจิตที่เกิดดับขึ้นภายในจิตตนเองโอ้โหจะไปดูที่ความจิตนี่มันเป็นตัวยังไงแล้วจิตมันเกิดมาตัวนี้ แล้วตัวนี้ก็ดับตัวนี้เกิดตัวนี้ดับก็จะไปดูจิตตัวตัวนี้เกิดแล้วจิตคือธาตุรู้พอรู้แล้วมันก็ดับพอรู้เกิดแล้วมันก็ดับพอรู้เกิดแล้วมันก็ดับไปดูตัวจิตตัวนี้ให้ได้บอกงั้นเลยนะจิตไปดูอาการที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดดับที่เกิดดับขึ้นภายในจิตตนเองผู้ปฏิบัติจะไปตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันหมดผู้ปฏิบัติจะเป็นแนวทางนี้เดียวกันหมดจะไปคอยดูจิตเกิดดับ ตอนนี้กำลังจะจับตัวจิตเกิดตัวจิตดับจิตนี่เป็นคากลางๆนะคำกลางๆว่าจิตนี่มันเป็นตัวยังไงแล้วมันเกิดแต่มันเกิดมันเกิดยังไงเกิดมันก็หมายความว่ามีธาตุรู้พอมันไม่มีธาตุรู้มันก็ดับก็จะไปรู้ความเกิดที่มันมีธาตุรู้ขึ้นมาปั๊บมันเกิดพอมันไม่มีความรู้มันดับธาตุรู้นั่นไปรู้คือจิตของมันไม่รู้อะไรแล้วปั๊บมันก็ดับก็เรียอ๋อดับมันเป็นเช่นนี้เกิดมันเป็นเช่นนี้ ก็ต้องรู้ใช่มอ่าพอรู้ไหมพูดอย่างนี้พอรูไหมก็รู้กันทุกคนนะเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ก็อาจจิตเกิดดับเป็นแล้วนะนี่พวกคุณเนี่ยไม่เบานะไม่เบานะตรงตาม อ, อาจารย์บุรภาพูดแล้วนะอ่าก็จ ะ, ะเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะตามแนวทางนี้ไปทั้งหมดแต่แต่ทั้งนี้หากเราไปข้ามขั้นตอนสู่โลกุตตรภูมิ หากเราไปข้ามขั้นตอนไปสู่โลกุตรภูมิจิตจะทรงตัวอยู่ไม่ได้ข้ามโลกุตระภูมิจิตจะทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะในโลกุตรภูมิมันไม่มีสมบัติบัญญัติมาคอยเลี้ยงให้ให้รู้ะไม่ไม่มีสมมุติบัญญัตินะมันไม่มีสมมุติบัญญัติมาคอยเลี้ยงให้รู้เหตุผลแบบนี้ ในสมมติบัญญัตินี่แหละมันเป็นตัวเหตุตัวผลที่มันให้รู้แต่ไปตีทิ้งไม่ไปเรียนมันได้ตีทิ้งไม่รู้แล้วมันบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีสมบัติให้รู้ไอสิ่งที่ไม่มีสิมันไม่มีอะไรให้รู้ว่ามันจะมีเป็นเหตุเป็นผลเพราะมันไม่มีอะไรมันก็มาเปรียบมาเทียบอะไรกันไม่ได้นัตถิอุปมามันก็ไม่ไม่มีอะไรให้เราสมมติแต่ไอสมมติบัญญัตินั่นนะมันมีให้เราเรียนรู้นี่ัวหาของท่าน กับโวหารของอตาตมาคนละโวหารแล้วโวหารของท่านอาจารย์บุราพาบอกว่าในโล ก, กุตรภูมิมันไม่มีสมมุติบัญญัติมาคอยเลี้ยงให้รู้เหตุผลแบบนี้ในสมมุติบัญญัติมันไม่มีไอเหตุผลให้มารู้แบบนี้ในส ม, มุดในโล ก, กุตรภของท่านนะมันไม่มีสมมุดที่บัญญัติให้มารู้แต่ของอตาตมานั้น ในโลกโลกุตระเนี่ยแหะมันรู้สมมุติบัญญัติและมันให้ให้เดเรียนรู้ด้วยสมมุติบัญญัติเนี่ยอันนี้คือความมีก็ไปสมมุติอันนี้คือความไม่มีก็ไปสมมุติอันนี้กิเลสก็สมมติอันนี้ไม่มีกิเลสก็สมมติสมมติแปลว่ารู้มตินี่แปลว่ารู้นะสมมตินี่แปลว่ารู้สมบูรณ์นะแต่ทีนี้ถ้าไปตีคําว่าสมมุติไม่ เป็นไม่รู้สมบูรณ์นี่เปทิ้งเป็นไม่รู้ซะเลยท่านก็เลยจะไปเรียนรู้อะไรเลยไม่เรียนรู้ความรู้แต่ท้าจะไปรู้ความไม่มีอะไรให้เรียนรู้สมมติคือคุณสมมติบรรดท่านตีทิ้งหมดเลยไม่ไม่เรียนรู้สิมันจะให้รู้อะแล้วมันจะไปรู้อะไรตัดเลยท่านกัรู้ไปรู้ความไม่มีรู้ความไม่รู้รู้ความไม่รู้แล้วมันจะรู้ไหมเนี่ย คุณรู้หรือคุณไม่รู้อ่ะเพราะโดนจะรู้ก็ไปไม่รู้เลยแล้วคุณจะรู้อะไรแล้วคุณจะไม่รู้อะไรแม้แต่ความไม่รู้อะไรนี่คุณตอบได้ไหมคุณไม่รู้อะไรไม่รู้อาสวะอไม่รู้กิเลสเป็นยังไงหยาบกลางละเอียดไปถึงการอาสวะอาสวะหมดแล้วก็รู้ว่าอาสวะหมดแล้วคุณก็ไม่ได้มีรู้ตัวนี้คุณโดนนี้ไปรู้ก็ไม่รู้ไปเลยสองอัน ตัดทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยนี่เรียกว่านัติกะหรือสุญญตะวาทะแท้เป็นวาทะที่ตัดหาศูนย์อย่างเดียวอย่างอื่นกูไม่พูดอะไรสักอย่างจึงเรียกว่าวาทะไม่พูดอย่างอื่นเนี๋ยวเอามาพูดจะพูดจะศูนย์เดียวขออภัยในอาตมาวิเคราะห์วิจัยแรงไปหน่อยนะเพราะงั้นเมื่อพวกเรา ไปข้ามขั้นตอนของโลกุตระภูมิจะทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะในโลกุตระภูมิมันไม่มีสมบัติออกขออภัยมันไม่มีสมมุติบัญญัติมันไม่มีสมมุติบัญญตมมั ต, ญญติมาคอยเลี้ยงให้รู้เหตุผลแบบนี้เป็นอาการที่จิตกลับไปดูปรากฏการตอนนี้ท่านสมมุติว่าท่านบรรลุแล้วท่านถึงที่ท่านรู้แจ้งแล้วท่านก็กลับไปรู้อีกใหม่เป็นอาการที่ จิตกลับไปดูปรากฏการณ์ความคิดท่านถือว่าอันนั้นเป็นความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตตัวเองเป็นจิตสมมุติบัญญัติท่านถือว่านนความคิดหรือไอ้ตัวที่มีตัวให้รู้เนี่ยสมมุติบัญญัติทั้งหลายนี่เป็นตัวให้รู้นี่มันเป็นความคิดมันเป็นโลกียะมันเป็นสมมุติบัญญัติแต่ตัวประมัดจริงๆตัวที่มันโลกุตระแท้นั้น มันไม่มีเหตุผลมันไม่มีตัวรู้มันไม่มีตัวอะไรจะต้องถูกรู้มันไม่มีอะไรหมดยิ่งเห็นความเป็นสุญญ์เต๋า ว, วาทชัดขึ้นไปอีกเลยนะเนี่ยความคิดไม่ปรากฏตอนนี้เอาความคิดมาอ่านปรากฏความคิดอ่านความคิดเกิดขึ้นภายในจิตตัวเองเป็นจิตสมมติบัญญัติเป็นเพียงแต่แค่ปรากฏการเหมือนฟ้าแลบฟ้าผ่า แค่ปรากฏการณ์เหมือนฟ้าแลบฟ้าผ่าที่ไม่มีสมมุติบัญญัติมารองรับเอาแต่ว่างกับว่างพูดไปก็คือโยนให้ตัวว่างตัวเดียวมันไม่มีอะไระมันมีก็มันเหมือนฟ้าผ่าฟ้าแลบเป็นสมมุติบัญญัติมารองรับเท่านั้นเองไม่รู้ว่าอาการฟ้าแลบมันมีสมมุติบัญญัติยังไงนี่สิมันโง่แล้วมันไม่รู้ว่าฟ้าแลบมัน มีสมมติว่าบัญญัติยังไงเนี่ยอาจามาว่าไม่รู้แล้วนะแปลว่าโง่มันไม่รู้หรอกมันต้องรู้สิว่าฟ้าแลบยังไงใช่มอ่าอาารย์บอกว่าไม่รู้ว่าฟ้าแลบยังไงฟ้าแลบอย่างนี้ดีใจเสียใจอ่าฟ้าแลบอย่างนี้ดีใจเสียใจต่อเมื่อสมมุติเข้ามาบัญญัติอาการปรากฏการที่มันเกิดในใจในจิตแล้วจึงรู้ว่าสมมติทีบัญญัติมา ว่าบัญญัติความดีความรู้แบบนี้ดีใจไหมพอพอใจไหมชอบใจไหมต้องอาศัยสมมติบัญญัติมาตีความและบัญญัติก็ถูกแล้วนี่ก็ต้องอาศัยบัญญัติมาตีความมาสมมติบัญญัติแล้วก็กำหนดหมายในบัญญัติในสมมติบัญญัติที่รู้ร่วมกันได้ก็มาสมมติขึ้นดีใจก็เป็นสมมติหนึ่ง เสียใจชอบใจก็สมมุติหนึ่งไม่ชอบใจก็สมมติหนึง่งก็ต้องรู้ว่าอาการจิตมันเป็นอย่างงี้นะนี่ข้ออัตมานะแต่นี่ท่านเองท่านบอกไม่ต้องไปรู้มันนะติทิ่งหมดเลยจิตเริ่มปรุงตรงนี้จิตเริ่มปรุงตรงนี้ปรุงตรงที่มีสมมุติตบัญญัติถ้าเป็นอาการเฉยๆก็ไม่มีอาการปรุงเพราะเป็น แค่เพียงอาการเฉยเหมือนฟ้าแลบเอา้าฟ้าแลบมันจะเฉยได้ไงแสบตายยังอะไรดีใช่ไหมฟ้าแลบมันมีแสงนะจริงเอาความเร็วของฟ้าแลบมามาใช้แทนแต่มันมีไหมฟ้าแลบมันเร็วเท่านั้นเองเอาความเร็วของฟ้าแลบมาเพื่อที่จะเอามาขยายความว่ามันมีแค่แค่เร็วๆอะเร็วมากฟบ แล้วคุณก็จับไม่ทันจริงๆฟ้าแลบเนี่ยยังไม่เร็วเท่าไหร่นะยังมีนานนะฟ้าแลบนี่นานกว่าพลังงานที่มันวิ่งเองพลังงานตัวพลังงานมันวิ่งเองเร็วกว่าฟ้าแลบเพราะฟ้าแลบต้องปรุงแต่งสภาพต้องสังเคราะห์สังขารเป็นแสงเป็นความรำเบิดต้องหยาบเลยนะฟ้าแลบนี่ไม่ใช่ค้องละเอียดแต่นี่เอาความเร็วของฟ้าแลบมาใช้แทนว่ามันเร็วอะ คือเลี่ยงอะเลี่ยงว่าถ้าไม่จะรู้มันก็เร็วแล้วมันมีไหมละ่ะมันมีให้รู้ไหมละ่ะเห็นไหมคือใช้ภาษามาตีศุญย์จัตาวาธาเนี่ยตนเองจะเอาศูนย์เขาตัวเดียวอันอื่นที่มีอะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับความมีในประดามหาจักรวาลที่มันมีอะไรขึ้นมาในมหาจักรวาล น, นี้จะตีเอาศูนย์อย่างเดียวพูดไปพูดมาก็ย่าต้องอาศัยสิ่งมีนะ เทียงอาการเฉยเหมือนฟ้าแลบไม่รู้หรอกว่าจะดีใจหรือเสียใจโอ้แนวสารก็โง่ต่อใจตัวเองก็ไม่รู้ว่าใจตัวเองเสียหรือใจตัวเองดีตรวจีตัวเองเสียใจเป็นอาการยังไงดีใจเป็นอาการยังไงแล้วอยากให้มันมีในจิตเราก็เลยไม่รู้เพราะไม่เรียนนี่ตีทิ้งหมดแล้วอะ่ะเข้าใจไหมเนี่เยเล่นตีทิ้งเลยไม่เรียนโอ้ มันนาสงสารนี่สุญญตาวาทะเห็นยังไงมุ่งจะเอาศูนย์ตัวเดียวเพราะงั้นทุกอย่างมันสมมุติหมดสมมุติที่บัญญัติทั้งนั้นยะไม่ยุบ อ, อัตมานเน้นมันเมื่อยเมื่อยเว้ยเน้นมันลงเสียงเมื่อยถ้าไม่เน้นก็รู้สึกว่าไม่มีมถึงเนาะมันว่างเหลือเกินท่านพยายามอธิบายความว่างอัตมาเลยต้องเน้นอ่า เพราะเป็นเพียงอาการเฉยเหมือนฟ้าแลบไม่รู้หรอกว่าจะดีใจหรือเสียใจชอบหรือไม่ชอบเมื่อมีสมมุติบัญญัติเข้ามาบัญญัติจึงจะนำไปสู่อารมณ์จิตถูกลากไปดีใจไปเสียใจต่างๆนี้มีจิตพิจารณาตรงนี้เห็นปรุงยังไงอ้าวแล้วมาเห็นมาเรียนอีกทำไมอ่ะก็ไม่ให้เรียนแล้วตีทิ้งไปแลอ มีจิตพิจารณาตรงนี้เห็นปรุงยังไงเรานั่งดูตรงนี้ตลอดก็จะเห็นปรุงจะทาให้ปรุงน้อยลงอ่ตอนนี้มีเขยบละแทนที่จะเป็นว่างไม่มีมันมีแล้วก็อะไรมันน้อยลงแล้น้อยลงละถ้าเราเข้าไปยับยั้งได้เร็วถ้าเราเข้าไปยับยั้งได้เร็วการปรุงจะน้อยลงจิตที่มันไม่ปรุงไม่แตง่งไม่ว่าจะปรุงให้พอใจ ก็ดีหรือไม่พอใจก็ดี ต, ต่างๆเหล่านี้การปรุงของจิตมันคว้าทันควาการปรุงทันไม่ปรุงเสร็จเป็นเพียงแต่ปรากฏการเฉยๆควาปรุงทันไม่ปรุงเสร็จหรือแต่ปรากฏการเฉยๆพยัญชนะล้วนเลยเนี่ย พยัญชนะล้วนเลยเนี่ยเออเออบ่าเราต่างๆเหล่านั้นการปรุงแต่งของจิตมันคว้าทันตนวเองไปคว้าทันไม่ปรุงเสร็จไปคว้าทันเสร็จแล้วไม่ปรุงเสร็จก็เอาวาทามาแทนพับไม่ปรุงเสร็จก็เป็นเพียงปรากฏการเฉยนะคว้าปรุงมาแล้วพอไม่ปรุงเสร็จมันก็เป็นเพียงปรากฏการเฉย นานไปปรากฏการเฉยๆนี้จะไม่มีอารมณ์จิตนานไปนะปรากฏการนี้จะไม่มีอารมณ์จิตไม่ถูกลากไปดีใจไม่ถูกลากไปเสียใจแต่เป็นเพียงปรากฏการเฉยๆเรียกว่าจิตจะนิพพานาจะไปสู่นิพพานแล้วมาเฉยๆนี่แหละเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วจิตพิจารณาในนิพพาน จิตเข้าไปอยู่ดูอาการแล้วคว้าทันจิตก็ไปอยู่ด <ophone> ูอาการแล้วคว้าทันการปรุงแต่งจิตจะปรุงไม่ออกอาการพระนิพานก็อยู่กับเรานานพอะปรุงไม่ออกเนื้ออาการนิพานจะเกิดและจะอยู่กับเรานานอาการนิพานเนอะอาการนิพานคือมันไม่ปรุงเนอะมันจะอยู่กับเรานานขึ้นเนอะ อาการแรกที่มันมีอยู่ที่มันเกิดในจิตไม่มีสมมติทบัญญัติอาการแรกที่มันมีอยู่ที่มันเกิดในจิตไม่มีสมุติบัญญัติไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเสียใจเกี่ยวกับปรากฏการเหล่านี้จะรู้สึกต่อเมื่อมีสมมติทบัญญัติขึ้นมาบัญญัติรู้ว่าอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบรักเกลียดเพราะมีอุปทานสัญญ า, ามีอุปทานสัญญา เข้ามาแต่งตลอดเมื่อเราข้ามตรงนี้เมื่อเราข้ามตรงนี้มมนสมมุติว่าเราข้ามได้ง่ายๆนีข้ามมันข้ามท้องล่องเนีเมื่อเร า, ข, า, รเ ข, ารข้ามตรงนี้ก็จะเห็นที่สุดของการปฏิบัติข้ามตรงนี้ก็จะเห็นที่สูงการปฏิบัติจากเดิมที่เรารู้ศีลจากเดิมที่เรารู้ศีลสมาธิปัญญากับกิเลส ต, ต่างๆอย่างหยาบ ให้พอรู้ผิดรู้ชอบเท่านั้นแต่ท้ายสุดจะไปสู่ปรรัญญาพระนิพพานหลุดพ้นต่อไปอขออภัยที่อาตมาต้องตีความสรุปว่าเอาบัญญัติมาอธิบายความทั้งสิ้นนะมันไม่มีสมมุติตัวจริงของอาการของกิเลสที่เป็นนามธรรม แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติจะสมถกกดคมหรือจะวิปัสนาเป็นการรู้แจ้งในการเข้าใจด้วยปัญญาด้วยการเห็นจนกระทั่งมีพลังกำลังของพลังพลังที่มันแข็งแรงนี่เขาเรียกว่าใช้ศัพท์เรียกว่าไฟก็ตามเรียกว่าฌานก็ตามเรียกว่าพลังงานของญาณก็ตามพลังงานของปัญญายาก็ตามพลังงานของปัญญ า, า ม, มันมีพลังเลยที่จะล้างราคะลงไป พลังงานต่อพลังงานพลังงานของปัญญาเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิเ์เหนือกว่าพลังงานราคะพลังงานโทระมันสลายตัวนั้นละลายไปเบาลงเห็นอาการราคะเบาลงจางลงน้อยลงเห็นอาการราคะเหลือน้อยเหลือนิดเห็นโดยทั่วทั้งมันไม่มีแล้วเวลยังมาแวบมาหลอกไปข้างคล้าวก็ให้ทวนทําซ้ําทําอี ก, ทำ อ, กทำอีกต า, กตาที่อาตมาอธิบายที่พุทธเจา้าท่านบอกว่าให้ปฏิบัติจนสุดท้ายเวทนาร้อยแปด 36 36, 36. ิบจนมันแน่ใจว่าอนาคตที่จะเกิดข้างหน้านี้มันศูนย์แน่ๆเลยมันไม่เกิดอีกเลยทั้งส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตมันศูนย์ไม่มีการกระดิกได้เลยมีประสบการณ์มีปรากฏการพิสูจน์ตัวสภาพพิสูจน์ไม่จะเป็นนั่งคิดว่ามันว่างมันไม่มีมไม่ ม, ม, มีเฉยๆแล้วก็ทิ้งสมมุติไปดืด้อๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยที่ศึกษาเลย อาตมาก็ว่าความเห็นของท่านอาจารย์บูราภาอาตมาเนี่ยคนละวะัฏคนลัทธิวทะกับอะไรวะละัลธิลัทธิสุญญาตาวาทะก็เป็นเช่นนั้นอาตมาว่าอย่างท่านเนี่ยอาตมาขาออภัยนะอาตมาว่าท่านเข้าใจเอียงไปทางสุญญาตาวัฏมากไปนะเนี่ยอาตมาก็นําความรู้ของอาจารย์ที่ท่านเห็นกันนี่เป็นสิ่งที่ศึกษากันท่านก็เขียนเพื่อศึกษาท่านก็ศึกษาเช่นนี้ก็นํามา ถ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเอาอัดเขาอาตมาไปวิจารณ์อาตมาไม่โกรธหรอกถ้าจะว่ายังไงจะถลม่มทลายอ ง, งัอาตมาก็ไม่โกรธขอยืนยันเพราะเป็นความเห็นของท่านอาตมาให้สิทธิอาตมายอมรับต้องทุกคนต้องให้เกียรติกันว่ามีสิทธิที่จะมีความเห็นอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ของใครของมันมันเป็นของใครของมันสุดท้ายนานาสังวาสนะมันไมน่ไม่มีปัญหาอะไรนี่มันก็ความต่างกันมันก็ต้องต่างกัน ความเหมือนกันมันก็เหมือนกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เหมือนทางก็ต่างกันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาก็ไม่เป็นปัญหาทางก็ต่างเขาก็ได้ของท่านไปอย่างนั้นอาตมาได้มาอย่างนี้มันก็มันก็เป็นธรรมดาแต่จะใครได้อะไรก็อาศัยอันนั้นเราก็ได้อันนี้เราก็อาศัยอันนี้ใครจะมาเอาอย่างนี้บางเห็นอย่างนี้ดีก็มาเอาอนันนี้เห็นอย่างน้นดีก็ไปเอาอย่าง น, นู้นก็เท่านั้นเองเราปลองดองกั น, กนอย่งกัลดีเนาะเราไม่เคย จะแย่งจะแย้งจะทะเลาะอะไรกันเลยแล้วอยู่กันได้ต่างคนต่างอยู่กันได้เอกภาพ unity อยู่ร่วมกัน diversity โอ้ไม่เป็นปัญหาอะไรอยาจะหลากหลายแตกต่างกันยังไงก็สุดยอดตอนนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็กำลังทำเพื่อที่จะปองดองให้อยู่ด้วยกันได้ต้องอยู่กันก็นได้สิมันความเห็นไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกต่างกันมากต่างกันน้อยกันแล้วแต่ ก็เป็นไปได้นะเอาทีนี้มาของอาตมาบ้างอาตมาอ่านอันนี้เพื่อจะยงให้เข้าใจทิฏฐิหรือความเห็นของคนนี้มันเป็นเช่นนี้แหละมันลึกละเอียดเหมือนกันไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื่นนะลึกละเอียดนะอาตมาก็เห็นว่าเออท่านลึกละเอียดแต่มันก็มีความต่างที่อาตมาเห็นต่างว่าเออท่าลึกละเอียดอย่างนั้นอาตมาว่ามันเวิงวางมันเป็นสุญเตาวาทะ แต่อาตมานี่อาตมาเห็นว่ามันต้องรู้อย่างที่คําสอนในพระติพิดกที่อาตมาหยิบมาอธิบายตลอดเวลาว่ามันต้องมีสิ่งที่รู้มีกายตั้งแต่กายคตาสติไปจนทางอาณาปานาสติแล้วในการปฏิบัตินั้นก็ต้องมีสติปฏิบัติสติประธานสี่ปฏิบัติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมต้องชัดเจนว่ากายคือลักษณะสภาวะองค์ธรรมอย่างไร เวทนาคือลักษณะองค์ธรรมอย่างไรจิตคืออย่างไรธรรมะคืออย่างไรแค่เวทนากับจิตเนี่ยมันต่างกันอย่างไรก็ต้องชัดเจนเพราะเวทนาหมายถึงอารมณ์รวมจิตหมายถึงทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งอ ก, กุศลจิตอ ก, กุศลจิตเป็นตัวหลักใหญ่เลยแล้วก็พะจิตพอเจตสิกนั่นเองมันมาอยู่กับเวทนา มัเป็นตัวเหตุอกุศลจิตเลยทําให้เกิดปรุงแต่งเกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นเวทนาเกิดเป็นความรู้สึกและก็ไปหลงยึดความรู้สึกนั้นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดเวทนาว่าอย่างนี้ชอบอย่างนี้เอาอย่างนี้อาศัยตัวสุขก็ไปทนาหรือแม้ว่าจะอาจารย์บูราภาจะบอกว่าไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาชอบไม่เอาชังไม่เอาจะเอาเฉยเฉยยึดเฉยเฉย แล้วรู้ไหมเราเวทนาเฉยๆนะมันเกิดยังไงเคหัสิตาเวทนากับเนขมัสิตาเวทนามันต่างกันยังไงเออแยกออกไหมอ่านตัวสภาว่าของเคหัสิตาเวทนากับเนขมัสิตาเวทนาที่อยู่ถึงฐานอุเบขาด้วยกันนะอันนี้ก็ถือว่าอุเบขาเคหัสิตามันอุเบขาจริงๆมันเหมือนกันนะมันวางเฉยทั้งคู่นะแต่เคหสิตาอุเบขาไม่ได้ดับเหตุ ยังเป็นโลโลกสมุ ท, ทยัยยังเป็นโลกสมุทัยยังไม่ได้ดับเหตุศูนย์เลยนะแต่เนกขมัสิตาอุเบกขาเนะี่ยมันดับสมุ ท, ทยัยศูนย์แล้วเป็นโลกนิโรธโลกนิโรธนี่เกิดผลละเป็นผลละเป็นโลเกณนัติตาเป็นผลของโลกดับโลกเพราะเป็นนิโรธ ดับเหตุที่มันจะหมุนจะเวียนจะวนดับเหตุที่มันวนันเวียนคนนี้แหละเป็นคนเนปะ็นคนที่ไม่มีและไม่มีสิ่งที่จะให้ถึงที่สุดแห่งความไม่มีศูนย์อย่างที่อาจารย์บูรภาหมายเนี่ยแหละนี่แหละคุณณโหติที่ในเพีย้ยตะพิฎกเล่มสเิเล่มสิบหกทพระพุทธเจ้าท่าตรัดไว้ในข้อส3สความมีกับความไม่มี นี่แหละโลกสมุทัยกับโลกนิโรธเพราะเราต้องรู้สมุทัยแล้วก็ต้องรู้ว่าสมุทัยมันหมดไปมันนิโรธมันดับในขณะที่เราเห็นนิโรธดับเห็นโลกดับเห็นความวนดับมันไม่วนอีกแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วมันไม่เกิดอะไรมาวนแล้วมันศูนย์แล้วเห็นความศูนย์ไม่จะคิดความศูนย์ไม่จะไปหาเหตุผลของความศูนย์แต่มันเห็นความศูนย์อยู่ทนโท ศูนย์อะไรศูนย์จากความวนศูนย์จากหลักโลกไม่มีแล้วโลกจึงเรียกว่าโลกนิโรธจึงเรียกว่าหน้าโหติจึงเรียกว่าไม่มีจึงเรียกว่าศูนย์และใครเป็นคนที่ไม่มีและใครเป็นคนรู้ความไม่มีนี้อัตภาพของแต่ละคนที่เป็นผู้อรหันต์อรหัตผลพูดถึงตรงนี้เป็นพูดที่ไม่ลึกลับและในความเป็นอัตตา ตัวตนที่ความวนโลกก็ดีอัต Make ตาก็ดีอัตตาก็อย่างหนึ่งโลกก็อย่างหนึ่งก็จะเทียงกันอยู่เนี่ยอัตตาก็คือความยึดตัวนี้อยู่เป็นตัวและไอ้ตัวนี้แหละมันเกิดความวนอัตตานี่แหละมันเกิดความวนก็ <โ undo. S 1> นมนันไม่มีอัตตาแล้วมันไม่มีวนแล้วอัตตาก็ไม่มีโลกก็ไม่มีเพราะเรารู้แล้ว at, ว่าโอราดิกะอัตตาคืออะไร รูปอัตตาคืออะไรอรูปอัตตาคืออะไรหรือมโนมยอัตตาคืออะไรเรารู้จักอัตตาหมดแล้วไม่ลึกลับเลยจนสาเร็จด้อัตตามโนมยอัตตาสาเร็จด้จิตสาเร็จยังไงสาเร็จให้มีก็ได้สาเร็จไม่ให้มีก็ได้นี่สุดยอดองมนมยอัตตาเพราะะพระอรห uh ันต์สุดยอดหมดดับโอลาธิกอัตตาดับอรูปอ <ás> ัตตาอยู่ที seni, ่มโนมยอัตตา เป็นมนโมมนมายังมโนมยะนี่แหละมโนปุพังขมาธมามโนเสทษฐามโนมยมะมโนมายังนี่แหละตัวนี้แหละสุดยอดเลยเป็นอันเป็นเรามโนมายังมยังคืออันเป็นเราโดยเราสมมติเราไม่ได้เรารู้แจ้งแล้วเราหรืออัตตาเนี่ยเรารู้แจ้งหมดแล้วมโนมยะอัตตาเรารู้อัตตาหมดแล้วเราไม่ได้ติดอัตตาแต่เราก็ขออาศัย อ, อัตตา เพราะฉะนั้นคนชนิดนี้จึงเรียกว่าเป็นคนถึงที่สุดแห่งอัตตาถึงที่สุดในความลึกลับเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอารหันต์ถึงที่สุดของความไม่ลึกลับแล้วอรหันต์หันอัตตาแปลว่าถึงที่สุดเป็นที่สุดแห่งความไม่ลึกลับแล้วไม่ลึกลับในอะไรนี่แหละในนิพพานนี่แหละ สรุปง่ายๆไม่ลึกลับในนิพพานนี่แหละเพราะฉะนั้นพุที่เป็นสัพปาทิเศส น, นิพพานเป็นนิพพานที่ยังเหลือขันหน้าท่านก็อาศัยขันหน้าไปมันมีทุกพาราหาเวปัญจขันธาทุกอันเลี่ยงไม่ได้หประการก็ยอมรับไปสิทุกปวดขี้ปวดเ ย, ยวมันก็ต้องทุกทุกเพราะว่ า, วามันจะเจ็บจะป่วย ใครอยากเจ็บอยากป่วยมันเจ็บมันป่วยมันก็ทุกทุกเพราะวิบากตามไล่ทันมันก็ทุกนะทุกเพราะทำงานทุกเพราะหางานมาทําให้มันเกิดประโยชน์คุณค่ามันก็ต้องเหนื่อยต้องทุกนะทุกภาวะทุกขทุกเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายทุกเพราะมันต้องอาศัยสิ่งที่มันอยู่กักระแสความมี แต่คุณไม่ได้เกิดน้อยใจเสียใจดีใจอะไรใจผููปับไม่มีแล้วมันไม่มีทุกที่โลกเขามีกันท่านรู้แล้วว่าควรจะอยู่อาศัยจิตระดับไหนจิตมันเป็นอาการยังไงไม่ลึกลับในเรื่องของจิตจิตเจตสียิงไม่ได้ลึกลับกับท่านแล้วเพราะท่านก็อยู่อย่างนอกจากรู้แล้ะทําได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มัน ไม่ต้องลึกลับในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพานแล้วจึงเป็นคนที่ยอมรับว่าเมื่อเรายังไม่ปรินิพานเป็นปรโยศานเราก็ยังอยู่กับความมีแต่อะไรไม่มีไม่ใช่ไม่มีอย่างเว้งว่างเรารู้แล้วว่าอะไรที่ไม่มีก็สิ่งนั้นแหละเราเป็นคนเด็ดขาดเลยเราจะทำความไม่มีให้แก่ตัวเองได้อย่างเด็ดขาดเลยแม้แต่วัตถุสมบัติไม่มี เงินทองก็ไม่มีไม่เอาไม่มีอะไรอะไรเลยจนเขาสั่งทั้งนามมาทำอาการของจิตเศรษฐุลีอโซกะวิริชะอาการที่มันจะโศกไม่โศกมันไม่มีภาษาเรียกแล้วก็เลยเรียกว่าอโศกะไม่มีโศกมันจะมีอยู่นิดทุลีละอองของความโศกเท่าไหร่อาตมาท่เรียกว่าทุลีมองอโศกกะมันก็ไม่มีแล้ว รัชความยินดีความชอบใจวิริชะอโศกวิรชาแม้ไอความดีใจชอบใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้วิมันมีสองไหงนมีก็ได้ไม่มีก็ได้วินี่ถ้ามีก็มีอย่างยิ่งอย่างที่เรียกว่าประเสริฐเลิศวิเศษเลยมีอย่างวิเศษถ้าไม่มีก็คือไม่มีทำได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายอโศกไม่มีหรอกความโศกไม่มีเลยโศกไม่เหลือ แต่วิเดชานั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ความชื่นความพอใจอแล้วแต่เราจะประมาณเราสามารถที่จะกำหนดละหุตามุทุตากรรมยตากำหนดได้วิการะรูปเรากำหนดให้มันมีเท่าไหเอาตอนนี้อเ บ, บาเท่านี้ลูหัวตาสําหรับเราแรงขนาดนี้เราก็ถือว่าเบาแล้วเราสบายไม่เดือดอร้อนอะไรขนาดนี้ รกระแทกแค่นี้โทมมไ่กระทุกกระเทือนอะไรเลยแข็งแรงเฉยอุเบกขาได้ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมมัญญาปพัสรามุทุมุทุตาไวเร็วจิตรับได้จิตหัวอ่อนจะเป็นยังไงก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ปุ๊ปับปุ๊ปับเพระเาะฉะนั้นจึงสามารถที่จะร่วมงานการกรรมมั ญ, ญาตา นี่คือวิการรูปสามอย่างท่านก็อยู่กับวิการรูปสามนี้และอีกสองคือกายวินยัติวจีวินยัติท่านก็ประมาณได้กายวินยัติจะนัดจากขีตะวะทิตะจะผสมธาทางลีลาพูดเสียงสำเนียงอย่างไรอย่างไรปรุงแต่งอยู่กับภายนอกยังไงหรือจะเอาแต่แค่วาจาน่ะวจีวินยัติท่านก็ทําได้จะวจีเนี่เป็นวินยัติมันเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเป็นวจีกรรม ท่านก็ประมาณแค่นี้ได้ให้แรงให้เบาขนาดนี้ก็ได้ให้เร็วให้ช้าขนาดไหนก็ได้หรือจะเหลือแต่วัจจีสังขารข้างในโดยไม่ต้องออกมาเป็นภาษาวาจีกรรมเลยท่านก็เอาจะเอาเบ า, เามากเอาน้อยจะปรุงไว้แค่นี้ก็ได้ไม่ปรุงเลยก็ได้เป็นคนกำหนดวัจจีวิญญาตกำหนดกายวิญญาตเองเลยกำหนดละหุมันรหุตาก็จะกาหนดเอง มุทิตาก็จัดการเองกรรมัญญาตาก็จัดการเองมุทุตาจึงเรียกว่านั่นแหล ะ, ม, ละมุูตามุทุต า, ตากรรมัญญาตาครับผมแล้วก็ากายวิญญาติวจีวิญญาตินี่คือวิการะห้าการะแปลว่าการการะทาครับผมท่านจะทำยังไงก็ทำได้โดยวิวิเศษโดยฤทธิวิเศษของตัวเองทาจะทำมหูตาขนาดไหนจะทำมุทุตาขนาดอย่างไรจะทำกรรมัญญากรรมัญญาตาขนาดไหน จะให้มาเป็นกายวิญญาตเป็นองค์ประชุมของลีลาสังขารภายนอกเท่าไรหรือแม้แต่จะปรุงอยู่ข้างในเป็นวจีวิญญาตจะเป็นวิจีสังขารก็อยู่ข้างในออกมันเป็นวจีกรรมก็อยู่ข้างนอกสุดยอดเลยกําหนดรู้ตัวที่ถูกรู้นี้เรียกว่ารูปเพราะอาการทางจิตจะละเอียดเป็นลีลากิริยาของจิตระดับระหุตาระดับหรืออย่างมุทุตา หรืออย่างคำมัญญาตาหรืออย่างกายวิญญาตหรืออย่างวจีวิญญตัติท่านทําเองหมดวิการะทาอย่างวิวิเศษทางยงวิยอดยิ่งไม่ให้มีอะไรให้มีอะไรท่านทําเองหมดนี่คือสุดยอดของรูปวิการรูปห้า และท่านก็นรู้สามันของไตรลักษณ์ทุกอย่างมันก็อยู่อุปจยะสันตติชรตาอนิจจตาสบายมากเมื่อเช้านี้คุยกับเทวดาเทวดาบอกเอ้ยอเรือที่อยู่บนเขาเนะ่เรือย่มจุนอยู่ที่บัานาสนั่นนะที่มันพังลำนั่นนะ่ะจะไปเอาออกนะเทวดาท่านบอก ศิลปะชั้นยอดเลยศิลปะอะไรมันจะสื่ออันนีจะตาก็ได้สื่อชราตาก็ได้สื่ออนัตตก็ได้สื่อตัทธาก็ได้แต่าเออจรเออมันเป็นเรือกำลังพังลงมาให้เห็นเลยลำใหญ่นะเอี่ยมจุนลำอื่นข้างๆนะกำลังสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็ต่อลงังคาตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะตกแต่งขึ้นมา แต่ลำนี้นี่ยเขายังไม่กล้าแตะเพราะมันมันพังมันยุยลงมามันเสื่อมลงมาใหนคาตาเลยนะโอ้โหมันเป็นลําเรือมหัวยกอย่างเงี้ตอนนี้หัวมันยุบลงมาย่อยลงมาละลายลงมาเห็นคาตาเลยโอ้โหมันอันนี้จังจริงๆเลยมันชราตายเห็นชัดๆเลยมันอนัตตาแท้ๆเลยนี่มันมันตัทธตาจริงๆอาตมาก็เลยบอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเทวดาตกลงจะไม่ยอมยกทิ้งละ ตัวนี้จะใช้เป็นอุปกรณ์ศิลปะชนิดหนึ่งจะแสดงอยู่บนภูเขาแท่งต้นนี้ภูเขาที่ที่บรรดาศ์เออใช่ติดถนนเลยใครผ่านไปผ่านมาแล้วเขียนป้ายไว้คำเดียวเลือกจะเขียนคำว่าอนิจจตาริชัตาหรืออนัตตาหรือตัทตาดีสคํคำนี้เลือกให้เอาคาเดียวเขียนคำเดียว ช่วเรื่องด้วยครับผมเออเอาเอาที่คนขอความเห็นเหมือนกันเอาชาบ้านเข้าใจนะมีเสียงบอกว่าอานิจตานงินหนึ่งเอ้าชรตาชรตาอนัตตาอทัตตาสี่คำเอาคำใดคำหนึงเขียนตรงนี้เลยโดยเดเลยครับผมเอาครับผมเอาก็เป็นเรื่องที่พวกเราลองโหวตกันดูเอาเอาตอนนี้ใช้โหวดโอ้เวลาหมดแล้ว เ, เดี๋ยวขออนุญาตโหวตส่งท้ายก็แล้วกันออมีสี่คำหนึ่งอนิจจตาสองชรตาสาอนัตตาและสตถตาใครเห็นสมควรจะใช้ชื่อไหนกรุณายกมือเพียงชื่อเดียวติดไว้ที่เรือลำนี้เอาเออตัวหนังสือลำนี้เดี๋ยวให้ในโน้ตออกแบบตัวหนังสือดีๆ เติดไวเลยเดี๋ยวจะถามชลุไว้เลยชลุไวดีๆเลยรอเป็นโลหะไวเลยก็ได้คำแรกใครเห็นสมควรว่าจะใช้อนิจตายกมือขึ้นอ้าวอ่าลองช่วยวัดหน่อยแค่นวลอ้าวดูดูซิประมาณประมาณนะนี่อนิจตจตายกอยู่ไม่กี่คนอนิจตาสองสามคนเออตรงนั้นกี่คนนะอ้าวประมาณนั้นนะสามคนยีิบสองคนใครเห็นสมควรว่าจะต้องใช้ชรตายกมือขึ้น ยกมือนับดูสิโอ้โหสนุกสนุกคราวนี้สนุกเต่ลงประมาณดูอยูข้างหลังนี่ประมาณเท่าไหร่บอกสิชาตาอ้าวชาตาอีกสีเป็นเท่าไรเท่าไหร่ิบแปดเอายังแพ้เมื่อกี้ต่อไปใครเห็นสมควรว่าอนัตตายกมือขึ้นอ๋ออนัตตาอนัตตายกมือขึ้นอย่ายกซ้านะไพ่เสียนะ คะแนนเสียงจะยกซ้าออกเสียงเดียวอ้าวยกก่อนยกก่อนใครยกไว้ก่อนจะกำลังนับอีกห้าสิบ้หี่ชนะแล้วตอนนี้ชนะชนะใครเห็นคสุดท้ายว่าตาตายกมือขึ้นตาตาอ้าวนับตาตายกมือขึ้นก็ ปรากฏว่าอนิจจตาชรตาอนัตตาตถาตาฮะบวกแปดยี่สิบหเมื่อกี้เท่าไรเท่ากันเหรอเมื่อกี้ยี่สบเหรออันนี้25่สิบหตตาชนะวันเนี้ยเฉือกันคะแนนเดียวเฉือนกันคะแนนเดียวปรากฏว่าคะแนนตถตามาเป็นอันดับหนึ่งหคะแนนอนัตคะแนนอนัตตาใช่ไหมมาเป็นอันดับสองยี่ คะแนนอันนี้จตามาเป็นอันดับสามยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าส่วนคะแนนท้ายสุดคือชรตา <18 S 1> สิบแปดสิบแปดก็ปรากฏว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าที่ชิงชิงกันนะี่ยยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าได้แก่คำว่าเดี๋ยวๆอันนี้จตา2ยี่สิบสาม แล้วก็อนัตตา24่สิบสี่ตัฏฐาตายี่สิบชรตา18บแปได้ประมาณนั้นนี่เอาอาตมาไขความอาตมาแรกๆจริงๆเลยเนี่ยอาตมาก็บอกเออทั้งนั้นอาตมาเอาอนิจจตาอะไรกันเหมือนกันตัวแรกเลยบอกโคจาว่านเข้าใจง่ายสัมผัสแรกออนิจจตาเหมือนกัน อ๋อแต่มาโหวตคราวนี้แล้วเนี่ยเอาเอาเอาสภาดีกว่าเอาคะแนนโหวดสภาดีกว่าเยบุญสิกาแต่จริงๆผมผมก็ว่าตาตาเนี่ยลึกๆแล้วมันรวมหมดเลยนะมันรวมหมดรวมอณิจจตารวมชรตารวมอนัตตาถูกต้องอยู่ในตาตาใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้มันรู้ยากไงมันรู้ลึกไงอันยิจจตามันรู้ง่ายกว่าเพื่อนอันอณิจจตานี่ง่ายแต่ง้อนะเอาแล้วแหมอย่าเพิ่งเสียอย่าเพิ่งว่างันจริงก็เริ่มต้นรู้ก่อนแหมไม่ให้โอกาสกันบ้างเลย โอ้รวมเรียกกันว่างงไปเลยได้ไงเริ่มรู้ไงครับผมเราแล้วเวลาก็ไปเยอะแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับผมจงสรุปอย่างไม่สรุปครับผมจบได้บทกวีที่ฟังพ่อครูอถาธิบายก็แล้วกันนั่งประพันธ์บทกวีจากคําอถาธิบายของพ่อครูตลอดมาจุดที่น่าสนใจขออนุญาตเป็นประเด็นมีสมมุติหลุดพ้นอยู่บนโลกไม่มีสุขไม่มีศอก ตามประสาเพิ่มพูนกูลเกื้อเอื้อโลกาเมื่อกี้พ่อครูพูดถึงเรื่องพลังปัญญาเหนือกว่าอำนาจกิเลสจึงกลายเป็นพลังปัญญายิ่งใหญ่กว่าใดเอย่ยมีสมมุติหลุดพ้นอยู่บนโลกไม่มีสุขไม่มีโสกตามประสาเพิ่มพูนกูลเกือ้อเอื้อโลกาพลังปัญญายิ่งใหญ่กว่าใดเอย่ย มิเอยอย า, างว่างยิ่งทิ้งสมมุติเอาแต่หยุดเป็นอย่างที่อ้างเอยยังวิมุติอยู่สมมุติไม่หยุดเลยเอาแต่เคยขุดรู้ไม่รู้อะไรคือถ้าเอาแต่เคยขุดรู้แห่งความไม่รู้อะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นสุญญาตะวาทะแล้วก็เป็นนิทิกะวาทะดังที่พ่อครูได้อถาธิบายไปแล้วสำหรับ บทกวีสำหรับประเด็นที่ท่านผู้อาวุโสลงทายว่าทหารแก่กลัวเมียเน<ฮ>ี่ยทหารแก่กลัวเมียเนี่ยที่ส่งมาสอบถามว่าขอกราบนวัสกรารถามว่าถ้ากระผมจะขโมยยิ้มของพ่อท่านไปเป็นการส่วนตัวบ้างจะเป็นการบาปหรือไม่เพราะเหตุใดครับก็จริงๆไม่ต้องขโมยเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่ส ง, งวนลิขิ์ใดๆเลย รอยยิ้มเย็ยนๆนเป็นแบบอย่างสัร์สร้างไมตรีดีนักหนารอยยิ้มเย็ยนเย็ยนเป็นตัวยาช่วยรักษาโรคจิตถอนพิจัยไม่ต้องเรียนดอกหนาภาษายิม้มเพียงทําใจให้อิ่มก็ยิ้มได้จะซื้อหารอยยิ้มให้อิ่มใจซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มต้องยิ้มเองอะไรทํานองนี้ขอกราบขอบคุณพ่อครูด้วยความเคารพครับนัมาตรการครับกราบมูสงเจริญธรรมสิกขามาและการวะญาติโยมผู้ดําเนินวิถีอริยธรรมทุกผู้ทุกคน เทิน <Turn. c oughs>